ปฏิบัติทำมาสองสามสี่วันนะ อ, อความคิดก็เริ่มเป็นอนิจจังในช่วงเนี้ยมันเริ่มเป็นอนิจจังคือมันเริ่มไม่เที่ยงแต่ก่อนเนี่ยเราไม่เคยดูความคิดว่าเป็นอนิจจังยังไงแต่ช่วงนี้จะเริ่มเห็นความคิดไม่เที่ยงแต่ก่อนเราว่าไม่เที่ยงคือข้างนอกนะศาลาไม่เที่ยงนะเสาไม่เที่ยงตัวเราเองเกิดแล้วก็แก่เจ็บตายมันไม่เที่ยง ห่างไกลตัวอันนั้นไม่ใช่อริยสัจอริยสัจคือการเห็นจิตตัวเองที่เกิดความโลภโกรธหลงเกิดรักเกิดช่างเกิดมุหงนีติดอารมณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยแล้วมันดับไปมันเกิดแล้วมันดับมันเห็นเร็วขึ้นแต่ว่าเพื่อใดคนเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง สังขารคือร่างกายจิตใจรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสินง้ น, นทุกอย่างเป็นสังขารทุกอย่างเป็นสังขารประกอบกันขึ้นนะสติสมาธิปัญญาเป็นสังขาร น, นะเป็นปุญญาพิสังขารอปุญญาวิสังขารสังขารเนี่ยเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงสังขารนี่เป็นของไม่เที่ยงนะ มีวิปริณาม่ธรรมังวิปริตวิปริแปลปรวนวิปริณาม่ธรรมังก็ลังนุตพัสิทุงเอตังนาเนียโสหมัสมินีโสสัตตินุเฮตังปันเติท่านจะเห็นความพ้นี้เป็นจะหมัยสังขารมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันวิปริณาม่ธรรมังมันแปลปรวนมันไม่คงอยู่ในสภาพเดิมมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสังขารคือเป็นแบบนั้น ตัวเราเองเกิดมาเนี่เราตกอยู่ในสภาพธรรมที่เขาเรียกว่าสังขารตัวนราเป็นสังขารนะคนข้างหลังนะเอาไมา้ค้ำคอเข้าไว้หน่อยเดมันหนักคอนะอ้อตั้งตรงๆท่นานอาจารยอพยมเห็นคนบางเทศขนาดหัวมันมันยังค้ำไม่ได้เลยจะไปค้ำลูกค้ำเมียได้ยังไงแต่งงานไปยงนะั้หัวมันก็ยังรักษาไม่ได้มันหนักนะยิ้มก่อนเพลียนะเมื่อยเบือ่อ ไอ้ความเบื่อเนี่ยเป็นสังขารไหมเป็นไหมเป็นสังขารนะเบื่อนี่เป็นสังขารทีนี้เราฝึกสติเนี่ยเราเรีรู้ดูจนดอะไรงเห็นว่าสังขารมันเป็นอนิจจังทําเป็นไหมเนี่ยคือปัญหาสเปสังขารานิจารสังขารทั้งหมดทั้งรูปทำนามทำต้องเห็นมันเป็นอนิจจังคือเดี๋ยวนี้ถ้ามันเที่ยงมันเป็นทุกข เดี๋ยวเนี่ยทีนี้ไอความสุขเนี่ยจริงๆมันดับหายไปมันไม่ได้หายตลอดเดี๋ยวเด๋ยวมันมานะเดี๋ยวมันก็มาเองอย่างเราคิดว่าเอมันไม่น่าจะมีนะแต่มันก็มีอันที่อยากให้มีมันก็ไม่มีอย่างโรคภัยไข้เจ็บมีเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หายหายเดี๋ยวก็เกิดวันนี้หมอโทรศัพท์มาบอกให้ลงตาเข้าโรงพยาบาลด่วน เ่าเดี๋ยวไปออกกาลังเอาอะนั่นะคือเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวมันก็เกิดเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวมันก็เกิดเดี๋ยวก็ตายที่สุดมันก็คือเดี๋ยวก็ดับน่ะชีวิตก็อยู่ประมาณแค่นั้นเพียงแต่ว่าเราจะตั้งมั่นอยู่กับความเห็นอนิจจังนี่แค่ไหนชีวิตเนี่ยถ้าเรากลัวเกิดกลัวตายไม่จบพอดีอ่ะแต่ระยะของการไปสู่ความตายเนี่ยเส้นทางเนี่ยมีเสื่อม มีโรคภัยไข้เจ็บมีอะไรซ่าล้วพัดกว่ามันจะเสื่อมกว่ามันจะตายเนี่ยมันลําบากมากนั้นเรารับไหวหรืออันนี้เมื่อกี้ไปเยี่ยมคนไข่ว่าเอาเสาร์เบ้าไปให้แล้วเอาเทพธรรมะไปใส่ฟังเทศไปด้วยนอนเล่เลนๆแทนที่จะนอนอยู่กับความคิดนะเพือฟังธรรมะไปด้วยจะดีอยู่กับสิ่งเสียงเทศเสียงธรรมไปเนี่ยคนป่วยนะมันช่วยได้ช่วยไม่ให้ฟุ้งซ่าน ช่วให้สามารถวางใจปล่อยวางได้หรือบางทีอาจจะบรรลุทำได้เลยแทนที่จะอยู่กับอดีตอนาคตได้อยู่กับโรคเนี่ยฉันมาอยู่วัดก็จะมีเงื่อนไขเงื่อนไขว่าเราสามารถบังคับให้เขาฟังทำได้ตลอดฟังทำธรรมโมได้ยินพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรบ่อยๆไม่นอกเรื่องใจมันก็จะเริ่มตื่นตัวขึ้นมาใจเริ่มเยี่ยมแข็งขึ้นมา แล่วที่จะปล่อยไปกับเสียงรักษาโรคตัวนั้นหายรักษาตัวนี้ไม่หายด้วยวันจิตอยู่แบบ น, นั้นแนหะไม่เป็นละเวลามาอยู่วัดเอาลูกหลานเขามาเยี่ยมแทนที่ลูกหลานเขาจะจมอยู่กับพ่อกับแม่กับญาติที่ป่วยอามาอยู่วัดถ้ามันมีปัญญามันก็มาฟังธรรมะธรรมูมันก็รับรู้มันก็ได้ดวงตาได้ความสว่างทางใจขึ้นมาแต่ถ้าโง่งก็แล้วไปคือสร้างเงื่อนไขอ่ะ แต่เงื่อนไขนี้เราไม่ได้ไม่ได้หวังนะเพราะจิตของคนเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะไปหวังเลยว่าคนนี้จะเป็นอย่างนี้ตลอดไม่เป็นนะ่ยเดี๋ยวคนนี้รักเดี๋ยวคนนี้ชัง <c oughs> เดี๋ยวคนโกรธ <c oughs> เดี๋ยวคนงุหงิดเดี๋ยวพอใจ <c oughs> เดี๋ยวไม่พอใจวันนี้เอาพวกนี้ไม่เอาอะไรประมาณนะั้น <c oughs> คือคนนี้มันไม่เที่ยงตลอดเวลามันคนคนคนอยู่แบบนนีะ้มันหมุนอยู่ตลอดเวลานั่นจะไปเอาสัจจะอะไรกับคนเน่ะเราเดียวนี้เเอาสัจจะตรงไหน รูปสัจจะเลอรูปก็ไม่เที่ยงเวทนาหรือเวทนาเป็นสัจจะเลยไม่เที่ยงทีนี้ยิ่งคนตั้งหลายคนเนี่ยเขาเอาสัญญาสัญญาเป็นสัจจะเอาเราสัญญากันแล้วนี่เราคุยกันแล้วสัญญาอนิจจาสร้างข้าร่อนิจจานี่ยมันผิดกันน่ะสังขารเป็นของไม่เที่ยงทีเราเห็นสังขารเห็นสัญญานี่ในจิตเรามันเกิดดับตลอดเวลาแล้วจะไปเอาอะไรกับใครอ่ะมันไม่เที่ยงสักกันน่ะ เราเฝ้าดูตัวเองไปวันๆไม่ดีกว่าเหรอดีกว่าที่จะไปเป็นอันนั้นไปเป็นอนี่สุดท้ายคือไม่มีอะไรในสิ่งที่มีที่เป็นในถูกหลอกทางนั้นสมุคัยฐานเพลิดเพลินขึ้นไปเขาว่าช oh ีวิตเนี่ยประมาทไปจนถึงตายทําการทํางานเนี่ยไร้สติเลยแต่ที่เราจะเจริญสติไปจากนี้ไปถึงเอ้าท่านบอกว่าเจ็ดวันเจ็ดเดือนสามารถบรรลุธรรมได้ทําไมถ้าไม่เดินทางเนี่ย ทำไปวิ่งว่อนอยู่กับความคิดเดี๋ยวนี้คนจัดการศึกษาแบบน้นไปเนี่ยศึกษาแต่ศึกษาทําธุรกิจนะคนไปเรียนก็เรียนเพื่อธุรกิจตัวเองเรียนเพื่อหวังว่าจะไปเป็นนั้นเป็นอ น, น, นี้เขาไม่ได้เรียนเพื่อดับทุกข์แล้วเปิดยาการศึกษาการพ้นทุกข์มันก็อยู่ที่กายอยู่ที่รูปไม่ได้ถึงนามอย่างว่าอา้าวจิตที่มีความสุข จะอยู่ในกายที่ไม่มีโรคไม่แน่นะคือไม่แน่เลยจริงๆน่ะพระละหัน์หลายลูกบรรลุธรรมในขณะที่เป็นโรคไปแค่เจ็บจริงๆโรคไปแค่เจ็บมีตลอดเลยเราเนี่ยเพียงแต่เราไม่เห็นโรคมีโยมคนหนึ่งบอกว่าหลวงตาชีวิตนี้ไม่มีอะไรที่ไม่เป็นทุกข์เลยนะถ้ามาดูเนี่ยใช่หลวงตาก็ยังให้เห็นใะนั้นแหละยังให้เห็นว่าชีวิตมันไม่มีอะไรที่มันไม่เป็นทุกข์ ขยับน้อยน้อยก็เป็นทุกข์ยิ่งสมาธิดีเนี่ยลืมตาเฉยเฉยนี่ก็ทุกมากแล้วนะผลตากระทบ ก, กันนี่ก็สนั่นปั่นพื้นไปหมดนะหายใจเข้าขหายใจออกโอ้มันทุกข์มันทุกข์ตลอดนะฉันไม่รู้เราจะเอาความกำหนัดขัดเครื่องมาวาดตวดลายอะไรยังไงกับชีวิตเนี่ยเพราะตุกอย่างมันมาเดี๋ยวมันก็หายไปเอาชื่นชอบคนนี้เขาตั้งใจทำดีจังอิสหน่อยเดี๋ยวมันก็เบือ่อ อันน sí ี้ดีๆนั่นี่กระโถนนี่สวยงามเวลายกกไปก็ไปตั้งนั่นตั้งนี่ตั้งไว้บนเดี๋ยวล้างนั่นล้างนี่ตั้งบนขอบอ่างนะอีกหน่อยหล่นพร่เร่งมาแตกอีกแล้วแล้วเอามันไม่ได้นะเจ้าโปะปอกเผามาทําแทนกระเทานั้นเน่ยไม่มีอะไรเลือเอาถุงยางมาเหรือคนละอนเดี๋ยวไปทิ้งใครทิ้งมันมันก็สกปรกเอ้ามีเท่าไหร่กระเทานั้นล่ะใช่แต่กระใช้ไปใช้ไม่ได้ก็จบไปแบบมั้น มันไม่มีอะไรที่พึ่งได้สักอันนะ่ะไม่แต่คนสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันไม่มีสเพซซังคาราอานิจา่าสังขานเป็นของไม่เที่ยงแล้วเห็นไหมแต่เจ็บซะน้อยเอาเจ็บเดินไปเจ็บเจ็บไปนั่งนานนี่เจ็บแรื่เนี้เขาเนะีนะ่ยแต่อีหน่อยก็ไม่ได้ยึด ม, ม, มันเอาย้ำไม่หายก็หายาขยับไปน้อยอา้าวพอขยับเปลี่ยนขาเนะี่เอา ยกกล้นตนแตกออกไปอีกไปเนี่ยยากุญไวร้ายจังหวะชีวิตนะ น, นี่เอามานั่งนั่งไปสโนยนี่เกิดแล้วนะเนี่ยเขาเรียกว่าเกิดเกิดท่านี้อีสโนยท่านี้มันหนักเข้านะเขามันจะแก่แล้วเนี่ยแล้วก็เจ็บแล้วก็ดับไปแล้วก็พลิกไปมาท่านี้คืออยู่แบบนี้ตลอดอะชีวิตเนี่ยแล้วเราคิดว่าเราสนุกเหรอเราดีเราเก่งเหรอเราร่ำเรารวยเราสวยเหรอเราสุขภาพดีเดี๋วไม่มี มันไม่มีเลยนะมาเฝ้าดูทีนี่กินกินเหมแตะวัดวางกินแบบเพลิดเพลินสนุสารก็รู้นะันคือทุกข์นะมันทุกข์นะผมขนเล็บฟันนี่มันก็ทุกข์ของมันนะมันก็ล่วง ก, วงกวง็หล่นขนหนังเย็นกระดูกก็เลยต่างเสื่อมตลอดเวลาบางคนโอ๊ยเดินชุกงเลยเจ็บกูมดกลับไปนี่จะได้ลางานอีกมันลาพักผ่อน นึกว่าจะมาพักผ่อนอยู่วัดโสมณุ์นัดไม่ใช่เกือบตายกูขนาดวันเห็นนะว่ามันเป็นทุกข์เนีแต่ไม่เห็นด้วยปัญญาไงเห็นด้วยสัญชาตญาณ น, นะเห็นด้วยสัญชาตญาณมนุษย์เนี่ยสัญชาตญาณการกินการดื่มการหลบภัยการสืบพันธุ์กันเนี่ยมันมีโดยธรรมชาติสัตว์กับมนุษย์เหมือนกันแต่การออกจากความทุกข์อันนี้ได้เนี่ยมนุษย์เนี่ยทําเป็นสัตว์ประเภทเดียวสัตว์อื่นเขาทาไม่เป็นนะ ไอตัวอยู่ด้านหลังนั่นขยับมานั่งนี่นี่นะมานั่งแถวเนี้ยคุณตาคือขี้เกียจกำกับการแสดงเหนื่อยป่าวไอตัวนั้นแสดงไม่ดีตัวนี้แสดงดีเลยมากๆเกตม า, าก็ได้วันนี้เขาเห็นอันนี้จังนะน้องเกตเนี่ยตู้ปอหกปีนี้นะเขาเข้าใจธรรมะระดับ น, นะวันเนี้ยกาลังเดิอนอ เห็นลงมาหลวงตาไปกวาดนัด่นกวาดนี่ไปกวนอยู่ข้างล่างนะเดินกวาดได้กวาดมากวาดไปกวาดมาเขาก็กลังซึมซึมหน่อยหนึ่งเขาบอกหลวงตาหนูกําลังซึมหน่อยหนึ่งเดินไปเดินมาอยู่ๆเสียงกวาดจ้าเนี่ยเขาสว่างขึ้นมาแล้วเดินรู้ตัวทั่วพร้่มของมันเองเาอกาว่าวันเนี้ยมันไปเองเลยทีนี้แต่ก่อนมันไม่รู้ตัวนี่มันรู้เองได้เนี่ยแต่ก่อนตั้งใจรู้เดี๋ยวนี้มันรู้เอง เ, เนี่ยก็ยั ง, งรู้ ขนาดตื่นไม่กวาดลงตายเฉยๆนั่นเนี่ยคือจิตมันตั้งใจอยู่แล้วนะเขาว่าเขาก็ไม่เคยรู้จักอันนี้โอ้มันโล่ง่ากมันสบายมากเลยเขาว่า น, นั้นจิตของเราเนี่ย <c oughs> แล้วแต่มันจะตื่นครูบาอาจารย์แล้วแต่จะสร้างเหตุปัจจัยอะไรให้มั น, น่ะแต่สําคัญคือคนนั้นต้องทําความเพียรจริงๆเพียรตั้งใจถ้าคนไหนเห็นคนไหนตั้งใจพวกเนี่ย ไปดูอ๋อมันเป็นสมาธิเฉยๆแล้วนี่เนะเาะเขาตั้งใจดีทําไงจะพิกมันออกได้ถ้ามันเป็นเกิดปัญญาให้เนยอันนั้นแหละช่วยเขาคลิกใจเขาค่อยตื่นไปแต่ว่าเป็นบางจังหวะนะแต่ก็ไม่ได้หวังกับคนนี่มันจะตื่นไม่ตื่นนะเราทําอะไรไม่ได้หวังอะไรคือมันเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้นะแต่มันเกิดก็ถือว่าเป็นบุญเขาแต่ละคนเนี่ยว่าเขาจะเห็น อนิีจังเนี่ยสังขารที่เกิดในจิตเขาเนี่ยความหงอความเงาความเบื่อความหนายความทุกเนี่ยมันต้องอยากออกอย่างมากนะอยากออกอย่างมากอยากออกจากทุกเนี่ยเมื่เราไปเปิดประตูสักน้อยเนี่ยมันจะออกได้เลยเนี่ยไปแง้มตูปพวกมันพวดออกมาเลยตัวที่อยู่ใกล้ๆนะแต่บางตัวนะสมมตเราชอบใครสักคนเฮ้เขาไม่มาหาซากทีเนาะเนี่ย อยูย่ๆมันก็เปิดประตูวัดเข้ามาโอ้ยมาจากลอนดอนเนี่ยวิ่งก็มากอดกันว่าสบายใจเนี่ยนึกถึงนะดีใจน้ำตาไหลนะกำลังนึกถึงอันนี้ก็เหมือนกันนะ่ะเรากำลังนึกถึงว่าอจะออกจากทุกข์ได้ยังไงเนาะจะออกจากความปูแตกได้ยังไงกำลังหาทางออกอยู่ไม่อยากเจอเหลือเกินอะยูย่ๆมันก็มีคนมาเปิดจิตมันทำช่องว่างเลยเนะี่ยความสว่างในปรากฏเกิดขึ้นกับจิตทันทีมันแจ้งวันนี้ คือมันขยับหน่อยเดียวเนี่ยแต่ก่อนมันมืดอยู่เนี่ยมันซอนอยู่แล้วคนตั้งใจเนี่ตั้งใจเห็นเขาเดินเวลามันห่วงมาเขาก็อน้ําใส่ตาโอ้มันฝืนเต็มที่นล้วเนี่ยมันตั้งใจแล้เนี่ยคนเนี่ยได้ขอนต้องอดทนต้องสู้ไม่ใช่คนก็เดินเมื่อกันนั้นเดี๋ยวเดินคิดบางทีก็ยิ้มบางทีก็ง่เงี้งทีก็ตาสวดขนาดพระเดินไปใกล้ๆยังไม่แลเลยทุกข์มากในชีวิต คือมันมองไม่เห็นประโยชน์ซากอันนะ่ะปิดประตูชีวิตเนี่ยท่านอนิจจังจะปรากฏตอนไหนนี้มันจะปรากฏในช่วงวันที่สี่ที่ห้านี่แหละถ้าเราตั้งใจทําเนี่ยแต่คนที่ชอบไปพูดไปคุยกันเนี่ยมันก็จะหลุดเลยมันจะหายไปคือมันไม่สั่งสมคือเราเจาะยังไงเขาก็ไม่เห็นนะ่ะที่มาพูดตอนเย็นเนี่ยพูดในฟังก็ไม่เข้าใจนะก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมปฏิบัติสองครั้งสอง คนมันจะเข้าใจเมื่อตอนที่อืมทางนี้กูไม่เข้าใจว่าแต่คิดว่าน่าจะมีมาใหม่เพราะมาใหม่เนี่ยรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะตั้งใจเลยเพราะเขาเตรียมตัวมาเลยเขาว่าเขาจะเจอกจะอะไรเขารู้จักลงทุนพันเต็มที่แล้วไม่นานหรอกเขาจะคลอดคลอดสติคลอดปัญญาคลอดสติปัญญา น, นองใจจิตเข้าได้เบ่งเต็มที่เนี่ะนะตาสวดตาดูนวันเนี่ยมันจะออกลูกน่ะนะลุงตาไปเห็นคนออกลูกเงือแตกหมดเลยลุงตาเนี่ย เขานั่งตั่งแล้วเขาจับเชือกนะตอนนั้นลงตารู้สู่อยู่ป .2 เลยแหละวิ่งกลับมากินข้าวบ้านไปเรียนหนังสือระยะทางประมาณสองกิโลเมตรกิโลเมตรไม่ได้เอาติบข้าวไปเพราะไม่รู้จะไม่รู้จะเอาขับข้าวไปอะไรนะเพราะไม่มีแม่หาให้พ่อเ็าไม่เคยหาให้พ่อก็าลวดลายนะมางดี พ่อบอกให้ตื่นแต่เช้าที่สี่ที่ห้าตื่นแล้วพ่อจะไปทำอะไรทํานาเราไม่ตื่นมันเด็กตัวเล็กเนาะตื่นมาปุ๊บพ่อต้องเดินไปทำนาห้าหกกิโลไกลมากเราก็เดินไปเรียนกิโลเมตรครึ่งทําไงอ่ะเมื่อที่ตื่นมาพ่อบอกวตื่นเถอเนีย่ยังไม่ตื่นไม่ตื่นพอนึ่งข้าวหุงปลาเสร็จสับพ่อเอาไปหมดเลยไม่ได้เหลือไว้ให้กินนะมึงไม่ต้องแดกเขาบอกพูดไม่เพลาะพ่อเขาพูดไม่เพลาะ <G ül> แกพูดไม่ไม่ใช่แกนะเขาพูดไม่ค่อยเพราะแต่ก็ฟังได้คือเขาก็ดีนะฝึกว่ามันจะตื่นเช้าวันต่อไปไงแต่ก็เป็นเด็กตื่นมาก็ไม่ได้กินอะไรงงๆดูในห ม, ม้อหุงข้าวไฟก็ยังอุ่นๆนู้นเสร็วันนึ่งข้าวนะแต่เอาไปหมดเลยเนาะไม่ให้กูกินสักน้อยเลยอนาะแเราก็จำไว้ แ้วกูมีลูกกูจะไม่ให้มันแดกเหมือนกันนะเป็นกรรมเป็นเวรต่อกันไปไเรื่อยๆจะไม่ได้ใส่ใจฮนะฝึกไงฝึกแล้วไปเรียนหนังสือไปเรียนหนังสือกลับบ้านกลับบ้านมีข้าวกินไหมวิม่งกลับมาบ้านจะไม่มีข้าวกินเพราะเอาไปหมดไงแอ้วอดทนเอาไปเดี๋ยวเริ่มใหม่ แต่ก็รู้สึกว่ามันไม่มีความโกรธความเครืองนะแต่รู้สึกเราผิดนะเนี่ยเราผิดนะเราน่าจะทําหน้าที่ตัวเองได้ดีกว่านี้นะช่วยเหลือพ่อช่วยเหลือแม่เนี่ยแม่ตายแล้วนะแม่ต้งช่วยเหลือเอาลดพักถูกบ้านดูเรือ่องทางานถ้าจะกินข้าวนะเพราะว่าปกติกินข้าวคือต้องกินร่วมกันนะพ่อแม่เนี่ยไมพ่อลูกเนี่ยถ้าไม่กินร่วมกันก็ไม่ได้กินนะ ท่านก็เตรียมตัวรับเทศอีกตอนกินข้าวนีว่แหละเมื่อแล้วเกินไปกินข้าวกับพ่อแม่เนี่ยเพราะว่าต้องฟังโอวาทกินก่อนก็ไม่ได้บันที่เขาก็ถามแซบบอ้กินเขานะ่ะชอบถามเขาแล้วว่าแซบยุย่งจะขี้ข้านคํำนี้มันจะออกมาทันทีเลยใหญ่ขี้ข้านนั่งก็นั่งพระเพียบแล้วกินข้าวนี่จะมานั่งขัดสมาธิี้ไม่ได้ดินงเมื่อไรดิ่ง เดี๋ยวนี้ยังไงก็ได้นั่งเก้าอี้นั่งอะไรก็ได้พ่อมันก็ส่วนมากพ่อเขาเอาไว้ประเคนให้ลูกกินเนี่ยลูกพอเก็บไว้ในตู้เย็นกับข้าวลอยๆเนี่ยกินก่อนนะลูกนะเห็นไหมเดี๋ยวนี้สมัยก่อนไม่เป็นเหมือนเขาไม่ให้ทําแบบนี้มานั่งก็เรียบร้อยนี่สับไพ่ใจะกินต้องห้าคนหกคนก็อย่างนี้แหละวงหนึ่งเนี่ยแต่เราจะดูพ่อพ่อกินข้าวพ่อเอาผ้าผ้าตาผ้าดะไร ปั้นเขากวนสิปั้นเขาพ่นเกีดกนทกกคนจุบนะมั่นจ่อย mm hmm. ปั้นเขาตุกระจำ่วนมากค่บปนปูนนั่นแหละปนกูปปนขบปนเขียดนะไปตามเรื่องแต่ว่าพ่อคำใหญ่นะจุ่มลงไปจะดีแห้งว่าประทุเกือบมืดถวยเนาะมันจะหมดเอาไปไหนนี่ที่หดตัวจแจกไปหมดแล้วเนาะเ อ, อ้าแสดงว่าคนอยู่บ้านนอกนะเนี่ย ฟังอาการเขอเฮ้ยอ๋ อ, อามาอยู่ใกล้ๆนี่แหละจึงอายพระเขาเนี่ยหลวงปู่สังเคยหัวเราโ ล, ลตาเทศเดี๋ยวฟันปลอมกระเด็นตกลงไปก็มีนะมันนะคุณยายลำยไยมาจากนาครสวรรค์เขาจ้างมาลูกขายของขายของสินอะไรเนะี่ยที่จะถูกจักนะของโบราณเนนะ่ย จ้างมาหกคนมาปฏิบัติธรรมคนนะคนละหมื่นหกหมื่นเน้ะเขาจ้างมามาฟังหลวงตาเทศนะนี่เยี่ยวแตกเลยยายลำเลยยายเป็เต็มหม้อเลยเยี่ยวเอาอยายยายน้ําอะไรเนะก็ท่านนะทนเทศตลกนะนี่นะเอา้ามาทุบกูได้ยังไงมาหน <c oughs> ูนี่เนี่ยไม่รู้จากเทศให้คนแก่ฟังแนละ้วมันยุ่มไม่ทันเนี่ยกคว่าเนาะตาต า, ตายไปเลยเนาะเปียกหมดเลยเบาะเนี่ยลุกขึ้นนะลูกล้านแปลวาอะไรมาถูวว่ะ เบาอันนั้นขายให้ลำยันไปไปขายให้ใยายลำ ย, ยไปเบาได้นะทั้นทงนั้นจะมานั่งก็ไม่ไหวเล้อเนาะใครก็ไม่อยากนั่งเปียกหมดเลยนะหฮว่จนเราตีนมาขนานนะ้างหน้านะครับว้ยวท่านท่า น, น, นมีนะเอ้าผมเกี่ยวอะไรกับดวงตามีนะท่านนั่แนแหละเทศตลกน่ะเห็นไหมเยี่ยวเต็มหมดเลยนั่งข้างหน้านะก็เลยว่าเงินหมืนน่นเอามาให้พระซะมาฟังเทศฟังทําละเยี่ยวเสีวัดน่บาปตายเลยเธอวะคนอื่นเขาก็ไม่ทํา คนแกเนี่ยมันหมดสภาพแล้วแกว่ามันควบคุมไม่ได้หรอกท่านท่านอยจะตลกสินะตลกยังไงไม่ได้ทำอะไรเพราะธรรมดาชีวิตเนี่ยทั้งหนึ่งประเทศเขาให้แสดงทำอยู่ในโบสถ์ลุกขึ้นอันนั้นพูดเรื่องผีอ น, นั้นชายสไลด์อยู่ที่จังหวัดพิจิตออ้ขึ้นเยี่แจกเต็มโบสถ์เขาเลยหลายคนนะในโบสถ์เขาไม่มีแต่น้ำน้ำเย่วอันนั้น เอาให้เด็กฟังน่ะเด็กมันกลัวผีเยี่ยวแตกในโบสถ์เขาหนะป้าแต่มีแต่น้ำเยี่ยวหนูบอกยังไงก็ไม่รู้นะนั้นคนมันเข้าไปในอารมณ์มากไปมันไม่รู้จากอันนี้จังมันวางปัจจุบันไม่เป็นมันก็ไหลเข้าไปดิมันไหลเข้าไปนั้นเราจะไปกลัวอะไรคนมันกลัวที่จริงทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันก็เปลี่ยนเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยน ทุกมากๆเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเข่งขาก็เปลี่ยนที่มือก็เปลี่ยนนี่แต่ก่อนว่าเป็นแบบนี้อีสเหนี่ยแก่ๆเข้ามาเนี่ยย่าดโยมผู้หญิงเนี่ยจะไม่มีเอวนะเนี่ยอีสเหนี่ยจะเอวจะหายไปเพราะอะไรเพราะมันไม่ขึ้นข้างบนมันไม่ลงข้างล่างแต่มันจะออกตรงนี้หน้าท้องก็จะเป็นชั้นเป็นชั้นขึ้นมาได้เอาลงอยู่เรื่อยเวลากาบพัดแล้วก็อยู่เรื่อยสังเกตเห็นไหมคนตัวนวลพอกาบพัดเสร็จพุ๊บก็ เพราะอันนี้มันขึ้นมาเรื่อยๆไงกลัวร้ายกลัวคนเห็นเนนะก้นก็จะเริ่มลายก้นน่ยนะมันลายเหมือนอะไรนะ่ะเหมือนปลาลดนะลงมาเนี่ยคนก็กลัวแต่ความจริงชีวิตเราไม่ได้อยู่ด้วยความงามมนั้นมันอยู่ด้วยความเข้าใจชีวิตความเห็นทัศนะต่อโลกวันนี้มันเป็นยังไงต่างหากมีทัศนคติต่อโลกนี้ยังไง โลกก็คือความเปลี่ยนแปลงโลกคือกายนี่คือจิตนี่มันหมุนอยู่ตลอดเวลาเลยมันเสื่อมไปตลอดเวลาแต่เราเนี่มายินดียินร้ายกับมันสมมุติว่าเราคิดว่าเป็นของเราเนี่ยเราก็ทุกทันทีเนียได้ยินหลวงพ่อองค์หนึ่งท่านไปเมืองจีนกลับมาเขาถวายปั้นน้ำชามาใหญ่โตเลยนะสวยงามมากโอ้หลวงพ่อถวายไปสวยงามท่านอย่มาใชไ้ ท่า น, นเทศทุกวันแบบโมโนตาเนี่ยนะเจตขึ้นธรรมะเทตทุกวันทุกวันเนในวัดก็จะไปต้มน้ําร้อนใส่มาทุกวันวันหนึ่งเนนต้องไปใส่น้าร้อนเดินมาสวดอะไรไม่รู้ล้มแต่คว้าไปี น, นสั่นเลยตายของนอกหลวงพ่อ ก, กูนะเนี่ยค่อยๆเก็บขวาดหลวงพอ่อเขาได้ยินบ้างนี้หนะ่ะแป้งอะไรวะคือทุกอย่างเนี่ยมันไม่เที่ยงหรอกโยมมันเปลี่ยนแปลงมันไม่มีตัวตนเป็นอนาัตตา ทุกอย่างเสื้อผ้าผมขนเล็บฟันนั่งมันปูพังตอลอดเวลแล้วทำไมยินดียินไล่กับมันนะเนน้อยเข้ามาหลวงพ่อครับผมฟังไม่ทันน่ะเมื่อกี้หลวงพ่อพูดว่าอะไรทุกอย่างเป็นอนัตตาไม่ได้ยินเรื่องหูนะ่ะเป็นอนิจจังหมดนะ่ะปั่นน้ำชาเป็นอนิจจังเป็นเน่หมนะมันมันแตกเมื่อกี้แตกที่ไหนนา <laughs> มาลมเสียขึ้นมาถ้ามันไม่เป็นอนิจจังนะใครทําแตกนะผมสะดูดลม ไม่ดูปมาทนะพูดธรรมะนะี่แต่อารมณ์หนักนะแน่นนะแล้ววางตัวให้ดีเถอะเลยวันี้โอ้ตายหรืว่าอ น, นิจจังมันแม่อ น, นิจจังแนะเนี่ยเพราะว่าอะไรเนะี่ยคาว่าอ น, นิจจังนะี่ไม่ได้ใช่วัตถุอันนั้นบางคนข้างนอกเนี่ยเขาจะใช้แบบตะกะนะคือพยายามมองนะหรืออย่างความคิดพิจิรพิจนาคือโอ้ยคนนี้เดี๋ยวก็ตายหรอกเขาด่าแล้วเขาดุเราเดี๋ยวเขาก็ตาย ไม่มีอะไรรอกหนะึ่งอย่างเขาบอกว่าไม่มีศัตรูที่ถาวร น, นักการเมืองไม่มีศัตรูและมิตรที่ถาวรเขาว่านะนะนั่นก็คือเขาเข้าใจเรื่องอันนี้จังระดับหนึ่งอะไม่มีมิตรและศัตรูที่ถาวรก็คืออย่าไปโกรธไปเคืองใครเราเรามาเล่นบทบัทสมมติเฉยเดี๋ยวกขาดับไปเองนะั่นไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรแต่เหตุผลเนี่ยผลสุดท้ายคือ เป็นไปเพื่อการดับทุกข์นะเหตุผลนี่มาใช้มันแล้วเป้าหมายมันคือทุกข์หายไปนะไม่ใช่เหตุผลนี่เพื่อจะไปทุกข์ประเด็นอื่นนะไม่ใช่นะโอ้ยภรรยาผมคนนี้สมมุติเจ๊เลักเกิดแก่เจ็บตายผูกพังธรรมดาแต่อีกหน่อยเอามีอีกแล้วภรรยาอีกหนึ่งแล้วสองมาเนี่ยไม่ใช่แบบนี้นะเหตุผลพุทธธรรมไม่ใช่แบบนี้เป็นไปเพื่อเหนื่อยหน่ายคลายกำหนั่เป็นไปเพื่อการกระจัดความขัดเคืองเนี่ยไม่ใช่เป็นไปเพื่อ เหตุผลเนี่ยเอามาเข้าข้างตัวเองนะคนละอันกันแล้วเวลาเราเดินจงกรมก็ดีเนะเราต้องการเห็นสัตย์จะทำที่อยู่ภายในแต่ก่อนเราจะเห็นรูปรถกินเสียงเขาเห็นไหมที่ท่านทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านเห็นโลกว่าเป็นของไม่เที่ยงท่านเห็นโลกเป็นของไม่เที่ยงนะเนี่ยเห็นความเปลี่ยนแปลงเราอย่าได้ของที่เที่ยงเราอาจจะเห็นคนนั้นเออเขาสงบขึ้นเขาสบายขึ้นเขาเป็นคนปล่อยวางเขามีความสุขนะ่ะ เขาสุขเพราะยังไงนาะเพราะเขาเห็นเป็นของไม่เที่ยงเห็นโลกแล้วเขาแบบวางโลกเหลือยเราก็อยากเป็นอยากเขาบ้างอยากเป็นนะอยากได้สภาวะอยากมีหรือเอาเราลองดูที่ไปปฏิบัติทําในเราพัดกลางจากบ้านเดือนเราเราจะคิดถึงไหมคิดถึงมันไหมอยากกลับบ้านไหมบ้านก็เป็นของไม่เที่ยงนะแล้วก็พอรู้อยู่เป็นของไม่เที่ยงแต่มันปล่อยวางไม่เป็นมาที่เราก็มาทําบําเพ็ญบารมีอดทนกับมันอดทน อดทนกับอันนี้เหตุปัจจัยอันนี้จะไม่อดทนได้ไหมมันก็แว บ, บเรื่อยๆแวบบเรื่อยๆเอ๊ะทาไมมันแว บ, บนาะทาไมมันไปอยู่เรื่อยนะตัวก็นี่ตัวก็หยุนไกลใจก็ห่างแต่ทําไมมันเป็นหนึ่งอันน่ะเราลองดึงดูนี่เอา้าดูมาดิมันออกไปตัวไหนเนี่นยมันจะเริ่มเป็นวิปัสสนาแนละ้เขาก็เริ่มมาเห็นว่าไอ้ตัวยึดต่างหาที่เป็นทุกข์เนี่ยไม่ใช่ว่าตัวห่างอันนี้ตัวไกล ใจก็ไม่เหงาแต่ก่อนถ้าตัวไกลใจเหงาทันทีอะ่ะมันคิดถึงมันปรุงไงเพราะอันนี้มันมันต้องมีสิ่งที่เข้ามาเล่าลมมันตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันถึงจะอยู่ตัวมันถึงจะพอใจนี่เราปล่อยเลยว่างเลยเฉยได้เอาเฉยได้เป็นทุกข์ไหมอันหนึ่งก็คือต้องพิจารณามีสติ๊บเห็นโทษเห็นคุณของมันของการยึดรู้สึกทรมานไม่ที่เป็นเนี่ยทรมานไหม เราไม่ได้อยู่กับรูปกับรถกับกลิ่นกับเสียงกับสัมผัสเนี่ยทรมานไหมอยู่ที่บ้านที่นอนหมอนนุ่มโอ้อย่างกับพระราชาเต็นเนี่ยทิ้งตวัวก็เด้งกระดอนขึ้นมาทีนี้ที่วัดโสมนัสลองทิ้งตัวลงใส่ที่เสื่อผืนนั่นน่ะดังตับเลยแล้วแอกมาแน่ะมันไม่เหมือนอยู่ที่บ้านพอใจไม่เนี่ยอยู่อย่างเนี้ยถ้าทําใจได้โอ้สบายยังไงก็ได้นอนง่างก็ได้ที่บ้านอาจจะเปิดน้ําเย็นนะน้ําอุ่นเพียบเลยแต่มาที่นี่ ไม่มีมีไหมมีใครอาบน้ำบูดไหม้น้ําอุ่นมีนะที่วัดเนี่ยอยู่เนี่ยให้ไปคนละแก้วมีอสมพลังงานเนี่ยเปิดสามารถอาบน้าได้แต่มันก็จะเสียเวลาอีกแหละพราะกลังหิวไปอาบน้ําอยู่ตีละครั้งแม่งวิ่งมาหมดเวลาทําทโทษอีกอาบแม่มันเลยเถอะ เ, อเว้ยเย็นก็เย็นเธอเนี่ยอาบไปเถอะมันไม่มีอะไรถ้าเราเข้าใจเราทําใจมันก็ไม่เห็นมีอะไรเนะี่ยเราไปติดมันไง คนหนึ่งมาบอกหลวงตาอาบน้ำบุ่นบ้างเถอะ น, นเนี่ยมันปรับความสมดุลปรับสุขภาพนะอย่างนั้นจะอายุยนืนเนี่ยเนี่ยจะไม่อยากอายุยืนแล้ววะอายุยืนไปทำอะไรอีกโอ้ยหลวงตาน่ชีวิตยังเป็นประโยชน์นะเป็นประโยชน์อะไรอะ่ะมึงจะมาปฏิบัติธรรมไม่วรมงไม่ได้มีเวลาว่าง <c oughs> โอ้ยตายพอดีไม่มันก็พูดไปงั้นแหละแต่มันก็ไม่เห็นโทษเห็นคุณของชีวิตเสื่อมอะไรหรอก ดังนั้นเวลาเราศึกษาเนี่ยหัวใจของการฝึกสติดีนะหัวใจของการฝึกสติคือการเห็นความคิดเป็นอนิจจังอนิจจังตรงไหนตรงที่มันปล่อยวางได้นั่นแหละปล่อยวางความคิดไดหรืออย่างไม่อยวางไม่ก็ได้อีหนนมันมาแล้วอีหนอนมันมาแล้ ว, นน ม, ม, ลวมันรักเราเหลือเกินเนะ่ะความคิดเนี่ยแต่แวบเข้ามาแล้วร่างกายสังขารนี่ก็เหมือนกันเนี่ยพอมันเจ็บมันปวดอย่างนี้เนี่ยมันเป็นโกคไปแค่เจ็บเดินไปเดินมามันเจ็บ ปล่อยวางได้ไหมเนี่ยมันปล่อยวางไม่ได้เพราะอะไรมันยึดไงทีนี้เราเจ็บแค้ได้ป่วยตอนเราจะตายเราจะวางมันเป็นไหมทีเนี่ขนาดเจ็บเดินจูง ก, กลมนีนตั้งใจนะสติก็ยังดีอยู่เนี่ยแล้วยังปล่อยวางไม่ได้แล้วตอนตายมันจะปล่อยวางได้หรือใกล้ตายมันทําไม่ได้นะกายก้กายก้กายโกูกายกูเนะี่ยมันยายคนหนึ่งนะ่ะไม่ยอมเข้าวัดเข้าว่าเขาชวนไปเข้าวัดเข้าว่าไม่ยอม ไปหาแต่กุ้งปลาหอยเวลามาสวด ม, มนต์เวลาจะตายญาติเขาไปบอกพระไปโยมเจริญพรโยมวาราจจาจะจิตจิตสุดท้ายจิตระมัจิตจะออกจากร่างเนี่ยโยมต้องอยู่ปัจจุบันจนะทาไม่ได้นะเอาตั้งใจตั้งจิตนะอรหังอรหังสมาอรหังอรหังโยมตั้งใจเป็นผู้ไกลจากกิเลสอรหังโยมอะไม่เคยเห็นเนาะประสบการณ์หนึไม่มคอยมีอะอรหอยอรหอยเนี่ยเหมือนล้วบอกว่า การปล่อยวางความสงบนี่เป็นสมบัติมหาศาลโยมผไม่ใช่มันอยู่ที่เงินนะมันไปอยู่อย่างนั้นอีกสละชีวิตเนี่ยเพราะอะไรมันไม่เคยเห็นรทำน่ะธรรมชาติของจิตโลล้วนที่ไม่เป็นทุกข์เนี่ยไม่เคยสัมผัสสุญยตาไม่รู้จักอนัตตาอย่างไงไม่เคยเห็นน่ะไม่เคยสัมผัสมันก็ถึงยากเห็นเวลาเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ย เห็นความคิดเป็นอนิจจังไหมเห็นร่างกายสังขารมีเป็นนิจจังไหมปล่อยวางได้ไหมถ้าฝึกสติแล้วยิ่งคิดมากรู้สึกตัวนี้ตั้งปุงสรรค์ตั้งงงิดตั้งเบื่อตั้งไหนมันไม่ใช่อนิจจังแล้วเนี่ยเสร็จแล้วคุณปฏิบัติทําแล้วมันผิดไปเรื่อยๆแล้วมันเข้าไปอยู่ในอารมณ์มันเข้าไปอยู่ในอารมณ์เข้าไปอยู่ในความปรุงแตง่งดูสภาพทุกอย่างมันเป็นถ้าเราเห็นจากภายในนะ เมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่ายธาปัญญายปัสติอธานิปินทติทุเคเอส ม, มโกวิสุธิยาบทสวสดในพุทธศาสนามีจะพูดถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมเพื่อการลดละดับทุกข์แต่เราไปเอาไปเวีนคถานะอันนี้เนี่ยถ้าเราเห็นด้วยปัญญาคําว่าปัญญานี่คือเห็นแล้วหลุดหลุดเลยปัญญาที่แท้ๆเนี่ยเกิดญ า, าณทัศน์นะเนี่ยแต่เห็นนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันจะไม่หลุดมันก็กลับมาอีก นินอย ก, ก, นก็ยังดีนะยังมีรู้สึกว่ามันดับเป็นมันความคิดยังมีช่องว่างบ้างเขียนตัวหนังสือเนี่ยจะมีเว้นวรกมันก็รู้สึกสวยงามขึ้นมาหน่อยอันไหนไม่ดีก็ลบทิ้ง e l ล t e ออกนะวันนี้เราเริ่มทำเป็นนะแต่ถ้ายาธนทัศนะเนี่ยเหมือนฟอร์แมตหมดแต่นี่ได้แต่ทีละตัวเรื่องนี้ก็พอได้แต่เรื่องใหญ่ๆเน่ไม่ได้นะเรื่องใหญ่ๆมันไม่ติดนะมันไม่ออก เรื่องที่เราประทับใจเนี่ยเกลียดใครมากๆาฝังใจนะฝังใจมากๆนะขนาดไอความรู้สึกเฉยๆเนี่หัวไปด้วยนะก็เห็นคำว่าห น, นึ่งหัวก็ไปเ ย, า, ยาว่าเยาว่าติดตาแต่แค่หลับตาลงพอดูแลหัวไปหมดนะเนีย่ยมันรู้เรื่องอะไรกับเราเนี่ยหัวเนี่ยคางเนี่ยมันไม่รู้เรื่องกับอารมณ์เรานะแต่เราบ้าคนเดียวเองนะนะพออยากสวยเว่นอยาก ง, งามโอ้ยใส่เวนตรงเวนตากลับมาบางที ดูแล้วมันไม่สวยมันไม่เท่ว่ไอตัวเตี้ยๆนี่ น, นะดันใส่ส้นสูงเพ่สอกหนึ่งเทินไปเห็นไหมมันอยากสวยที่เจ็บส้อนน่องจะตายไปเดินกักคมแต่ว่าก็อย่างว่าน่ะมันได้เท่หน่อยเนี้ยมีคมรู้สึกได้ยินว่าใครอ่ะของอิตาลีหรือของอะไรที่ไปต่อเอวน่ะเขาควอดต่อเอวสองปีได้สองนี่มึงสองข้อมีอโอ้ยภูมิใจมาก พอเขาไปสอบทนายความเยพอพูดทนายความอารมณ์ทนายความของแว บ, บมาแต่ดีนะไปสอบทนายความแล้วพอเอ่ยว่าเขาตัวเตี้ยเขาไม่ว่าความต้องสูงขึ้นอีกแต่ น, นั้นมนีจะไปต่อพ่อพูดง่ายทาอย่างอื่นก็ได้ทีนี้ของปลอมเนี่ยมันผุเร็วพังเร็วมันไม่ใช่ของจริงมันไปยากลําบากฉั้นชีวิตเราก็เหมือนกันนะนะทํายังไงลูกจะเห็นอันนี้จังเห็นด้วยปัญญา ไม่ใหม่ก็แบบนี้แหละเนี่ยเห็นด้วยสติหน่อยเอาความคิดมาไหลดับไปความปวดมาก็อันนี้จังมันรวบมาหมดเลยมันเริ่มตัง้งแต่จิตกายนี่เป็นเรื่องหยาบเวทนาก็หยาบลงมาหน่อยนึงจิตจิตก็หยาบหน่อยนึงนะทำอารมณ์เป็นอารมณ์เลือกๆทำอารมณ์นี่หมายถึงต้งแต่ตัวปีติปัสสะที่สมาธิพวกนั้นนะตัวนี้นี่อารมณ์พวกนี้ เหมือนเราจะยินดีในะไอ้พวกนี้แต่มันก็อันนี้จังเหมือนกันนะ่ะอืทําไงเนี่ยเราก็เห็นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อถ้าจะเจาะลึกก็เจาะตรงที่จิตที่ความคิดนะนี่นหละตรงเนี้ยถ้าเราเบิดตัวนี้ตูมตัวนี้มันเห็นหมดเลยอะ่ะนั่นเราจึงมาเฝ้าดูดูกายเคลื่อนไหวดูใจนึกคิดไงดูเรื่อยอะแต่ก่อนเรายึดนะเราคิดอะไรเราติดความคิดตัวเองติดขันสังขารขันเนี่ยเพราติดแต่มันคิด แล้วโกรธใครเนี่ยเราเข้าไปอยู่ในความคิดทันเดยมันก็ปรุงแสงไปยืดยาวเป็นโกรธเป็นโหลงเป็นหลงไปเนี่ยทีนี้พอเราเห็นความคิดปุ๊บอา้าเราเคยดับมันได้เนี่ยความโกรธนี้เราไม่ปรารถนาน่ะพอมาโกรธขึ้นมาก็ดับมันโกรธขึ้นมากด็ดับมันสลัดมันกลับมารู้สึกตัวหรือบางทีก็เดินหนีบ้างอะไรบ้างเดี๋ยนี้คนลงทุนเยอะโดยเฉพาพวกแพทย์พวกหมอเนี่ยเขาไม่ฝึกสติชอบไปเที่ยวเมืองนอกพวกนี้ยชอบไปเที่ยวเมืองนอก หยุดปิดเทอมพาลูกไปเมืองนอกหรือบางทีบริษัทยาเขาให้โคด้าไปเมืองนอกชอบเมืองนอกเที่ยวเมืองนอกไปจนติดเนี่ยคือไปเอาบรรยากาศของเมืองนอกมาใส่ทับหัวไว้คนไทยก็ไปหาเที่ยวใกล้ๆนี่แต่นนั้ก็ไปเมืองนอกซะมันก็ติดอยู่ในหัวภาพของเมืองนอกเมืองนอกอย่างเงี้ยจริงๆไม่ต้องมีเมืองนอกเมืองนาอะไรเลยลบมันทิ้งข้อมูลนะนี่ให้ใจว่างๆไปฝึกสติน่ะดีกว่า ฝึกสติลบโปรแกรมของความโลภความโกรธความหลงเนี่ยลบอุปท า, านขันอุปท า, านในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณที่พูดไปเมื่อคืนนะเราลบข้อมูลพวกนั้นหรอกแล้วก็เหลืออยู่กับปัจจุบัน ล, ล้วนเนี่ยเลาอจ่าขี้เกียจอันไหนที่มันรู้สึกมันขี้เกียจเนี่ยยิ่งฝืนทําฝืนทํำเลยมันไม่อยากทําเหมือนว่ามันไม่มีประโยชน์ยังไงนีน่ลองดูดิสิ่งที่คุณไม่มีประโยชน์นะ่ะมันจะมีพิเศษที่สุดแหละเดี๋ยวนี้เห็นไหม อาหารการกินเริ่มกลับมาหาตัวเองแล้แต่ก่อนไม่ค่อยมองนะมองไปข้างหน้าโนะ่นแ่ะอาหารประเภทอะไรละชีวจิตกด็ดีน้าําผลไม้แบบน้ลเวลา น, นี้เริ่มหันกลับมาหาตัวเองแม้แต่อุจจาระปัสสาวะเริ่มมีกมารหมักการดื่มมาวิจงวิจัยของใกล้ตัวหมดแล้วเดี๋ยนี้เมื่อก่อนไปไกลนั้นนานกว่าที่เขาจะแวะเข้าไปถึงจิตเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามาเริ่มกายแล้วเอาใส่ใส่เรื่องกายนะแพทย์ทางเลือกอะไรประมาณเนี้ยเริ่มปรากฏเกิดขึ้น เดี๋ยวนี้ในยุคที่ท่ามกลางสังคมปัญหามากมายหลากหลายนี่จิตวิทยานี่ยกำลังเฟื่องฟูนี่คนกําลังศึกษาจิตวิทยาศึกษาปรัชญาแต่มันก็ไม่ทะลุเข้าไปถึงศรราสนาไม่ทะลุเข้าไปถึงวิปัสสนาดังั้นเราก้าวล้ำนำยุคฝึกสติก่อนฝึกสติเป็นครูของตัวเองมันก่อนคุยกับท่านผู้ใหญ่ในกระทรวงที่ท่านมาวันนั้นนะ เอเขาบอกว่ามีมีหมู่บ้านตัวอย่างที่อากาศอำนวยเนี่ยท่านแวะมาตรวจงานเนี่ยหมอเป็นหมู่บ้านอ่าใช้คําังไรู้นะคือเหมือนเขาเป็นรวมทั้งอบตทั้งอะไรด้วยแต่เขาไม่ได้ลงลึกแบบนี้ท่านบอกคือในหมู่บ้านนะเขาเป็นจิตแพทย์ให้กับตัวเองเกี่ยวกั บ, กบเขาฝึกเป็นจิตแพทย์ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาความเครียดปัญหายาเสพติดอะไรเนี่ยคือ เรื่องนี้เนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นชุมชนตัวอย่างของประเทศนะที่อากาศอำนวยนีรุ่นแตามีโอกาสรง่ตาจะแวะไปดูอยู่มาที่ท่านมาจากกรมสุขภาพจิตเนี่ยนะเขามีอยู่ที่นี่ที่อากาศอำนวยเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยเขาเป็นสังคมตัวอย่างเป็นหมู่บ้านตัวอย่างเป็นชุมชนตัวอย่างในการาให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพจิต ในชุมชนของเขาเองเขาดูแลกันเองนะเนะดังระดับภาคระดับประเทศนะแต่เราอยู่นี่เราก็ไม่เคยรู้แต่ท่าว่าเขาก็ไม่ได้ลงลึกอะไรค่อให้ปรึกษาเรื่องยาเสพติดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องความคิดความไม่จริงจังเขาจะมีกรนะ่นน่ะแต่ได้ฝึกสตินะจะดีทนว่าลนะุตงตางก็เลยเฉยไม่พูดต่อถ้าพูดแล้เขาก็จะเอามานี่โอ้ดีมันกันแล้วอะไรเรมาณนั้กนกานะจฝึก คือถ้าเขาเห็นความเป็นเนนิจังแต่ละคนเนี่ยถ้าเห็นเนนิจังมันจะสบายไอ้โกรธมากมากก็โกรธน้อยถ้าโกรธน้อยอยู่ก็คือหายเลยนี่คือมันจะลดอุณหภูมิลงเพราะว่าเพราะอะไรไอ้ความโกรธเนี่ยมันเกิดจากการเสริมแรงของเราเองเพราะเขาไม่รู้เพราะไม่รู้เราเข้าไปอยู่ในความคิดมันก็เลยหมุนเนี่ยเอาเคยเห็นไหมโกงจักเนี่ยหรือร อ, รอนะล้อในเวลาเขาหมุนเน่ยหมุนครั้งหนึง่งแรงเหวี่ยงมันจะมีครั้งหนึง่งแต่ออกแรงมากช่วงแรก รอบสองนี่ยออกแรงน้อยนะโมเมนตัมมันจะต่างปุ๊บพอสามล่ะสี่ล่ะไปมันจะเร่เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นนั้นความคิดก็เหมือนกันน่ะทีแรกตัวเราคิดทีแรกนี่มันพริกเนี่ยมันยากแต่พอมันเป็นแล้วมันจะไวเหมือนคิดน้อยๆแต่มันไปเลยตัวอัตราตัวตนมันเข้าไปอยู่ในนั้นตั้งเยอะบางคนบอกไม่ขอได้คิดนะตอนนี้ไม่คิดแต่ก็ปวดหัวมันหมุนแล้วมันหมุนไปแล้วเราไม่รู้เราไม่ทันมันอ่ะ มันหมุนผู้ปับผู้ปับผู้บปบผู้ปับแล้วทีเราจะมาลดลดกระแสมันอะกระแสมันวิ่งอยู่ในตัวนี้ออกมาตั้งตาตั้งหูแต่ว่าตัวแปลงมันอะตัวแปลงคือจิตเราอะจิตเราแต่เป็นจิตสภาพที่ไม่ใช่จิตคิดแต่เป็นจิตรู้ตัวรู้เนี่ยเราพยายามรู้สึกตัวว่ามันคิดแลนน้วนี่มันรุงแต่งแล้วเนี่ยมันจะออกไปแล้ว น, นี่ออกไปดิ ความโลภความโกรธความหลงเราก็รู้เท่าทันมันก็ดับหายนะมันก็จะเริ่มดีขึ้นในเรื่องแรงเหบี่ยงมันจะน้อยลงน้อยลงน้อยลงอ่ะนั้นเวลาเราไปทําการทํางานเราไปใช้ชีวิตแทนที่จะอยู่ด้วยอารมณ์อยู่ด้วยเหตุด้วยผลด้วยนั่นด้วยนี่มันก็จะน้อยลงอ่ะเหตุผลก็จังมันเทอะอารมณ์ไปจางมันเทอะเป็นอารมณ์ก็ไม crunch, ่ใช้อารมณ์เป็นเหตุเป็นผลเริ่มเป็นเหตุเป็นผลละผู้หญิงแน่อยู่ด้วยกันนะ มันชอบนินทาลูกท่าก็แปลกนะถ้าไม่นินทาจังไรจะเอาเก็บไปทําไมโดยเฉพาะเรื่องผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยมันจะนินทากันเมื่อคืนนี้พูดถึงเรื่องผู้หญิงบรรลุธรรมนหะค้างไว้เรื่องหนึง่งจะสังเกตอยู่ได้ผู้หญิงเนี่ยถ้าอยู่ด้วยกันในมิู่ไงนะเขาว่าเขาเขาว่าขาเมาเหรอลูกพูดอะไรไม่เว้นแต่แม่ชีนะมาอยู่ในวัดเนี่ยจับกลุมอ้าวเมากลุมนั่นน่ะ ว่าอันนี้นะ่ะเพราะเขาเมื่อไหร่มันจะเลอกที่ใส่นี้สัทีวะถ้าเรื่องที่ใส่นี้นะคุณก็บรรลุทำแต่ถ้าคุณยังมีนิสัยนี่อยู่ยากนะเพราะนี่คือพื้นฐานจิตของของผู้หญิงเนะี่ยโดยเฉพาะเรื่องผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยเกี่ยวกับผู้หญิงเนาะผู้หญิงคนนั้นเม่จีคนนั้นเป็นยังไงเม่จีคนนีน้เป็นนี่มันจะเก็บมาหมดเลยแล้วก็มาเมากันเนะี่ยมันจะเป็นแบบนั้นโดยธรรมชาติเลย ทำไมเขาทาเมื่อไหร่เขาจะเห็นตัวเองไหมว่าเออไอ น, นี้มันพาไปนะมันพาไหลนะเนี่ยเนี่ยคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นนี้พอได้เข้ากันแล้วมันคุยกันเลยไอเ น, นี่ยทําครัวกันเหมือนกันเอา้าเรื่องผู้หญิงผู้หญิงอะไรเนี่ยมันต้องมีผู้หญิงเขาต้องบอกว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยไม่มีผู้หญิงคือ น, นสิสัยแบบนี้มันต้องไม่มีเนี่ยพระโพธิสัตว์เนี่ยถ้าเขาไมนจะติดอย่างเนี้ย โดยเฉพาะไปนินทาเรื่องผู้หญิงคนอื่นนะนะคนหญิงผู้หญิงคนอื่นที่อยู่ในกันเนี่ยแต่เรื่องของคนอื่นเนี่ยโอ้มันจะคุยกันดีจังอะแล้วมันก็ส่วนมากในโรงพยาบาลเนี่ยผู้หญิงเนี่ยตัวปัญหาที่ชอบมาคุยกันแล้ว ก, ก็เป็นฝักเป็นฝายพวกหมอผู้ชายเขาไม่เท่าไหร่หรอกนะแต่ผู้หญิงเนี่ยมันเป็นก๊กเป็นเหล่าเป็นกลุ่ม เดี๋ยวเป็นกรุ๊ปนั่นกรุ๊ปนี้เวลาเราไปแสดงทำเนี่ยมันจะนั่งคนละกลุ่มเลยรู้จากทันทีนะมันเข้ากันไม่ค่อยได้แต่เขามาฟังเวลาเราไปไปเทศเวลาเขาประชุมวิชาการเขานี่หมดเราไปเนี่ยลงพยุวานหนึ่งครั้งนึงไปดูบรรยากาศให้มันเดือร้อนๆนะเนี่ยเปิดแอ่นหน่ายอมขึ้นสูงๆว่ะเพราะอะไรบรรยากาศมันร้อนมากเพราะมันไปกกเป็นเหล่าไฟหูไฟตามันเผาออกมาเนี่ยมันยากลําบากจริงๆมันเกิดจากอะไรเกิดจากผู้หญิง ผู้ชายมันมีสวิตอยู่มันพอปิดได้แต่ผู้หญิงอ๋อหน้ากลัวมันคุยจอกหลอกแจกแหลกแล้วมันก็กลายเป็นเซ็ตเป็นกลุ่มของมันโดยธรรมชาติเลยเป็นกลุ่มนั้นกลุ่มนี้พราะอะไรเพราะมันคุยนี่แหละถ้ามันไม่เฉยซะมันก็จบไปอ่ะทุกอย่างกระทบดับจบถ้าคนไหนคุยเนาแสดงว่าสติมันน้อยช่วยเขาหน่อยเถอะเอออย่าคุยเนี่ย พี่ชายของคุณบัณฑิตเนี่ยเขาอยากมาบวชเขามาคุยกับหลวงตาเวลาน้องสาวเขาคุยเรื่องคนอื่นวะอย่ามีนาคนอื่นนะได้ยินไหมที่หลวงต า, าเทศเมื่อก่อนหลวงตาเทศได้สามปีแล้วนี่แต่เขามาฟังเทศเขาเข้าใจมันจะสะสมเป็นปฏิฆะท่านบอกแล้วก็บอกพี่เวลาคุยกันน้องสาวพี่สาวอะไรเะไรจะคุยกันคุยไม่ได้เลยถ้าพี่เขามาว่า อันนี้ไม่ดีโดนตาเทศแล้วเขาก็จะบังคับคือเขาจะยับยังไม่ให้คุยให้เอาใครมาสนดนา่านะไม่ให้เอาใครมาว่ามาหงุดมาอะไรเลยเพราะเวลาเราคุยกันเนี่มันจะกลายเป็นปฏิฆะปฏิฆานุใสนะพอเราพูดข้อดีข้อเสียข้อถูกข้อผิดเนี่ยมาเริ่มสะสมละจิตเราเนี่ยสะสมแค่ละน้อยละน้อยภาพองคนนี้เป็นคนดีภาพคนนี้เป็นคนไม่ดีเริ่มปรากฏ ข, าขึ้นในจิตนะโดนตาลองลอ ง, ลองทดสอบดูนะ กับแม่ครัวบางคนเวลาลุงตาเดินไปลุงตาบอกโอ้มียอมวันนี้คนนี้นะปฏิบัติดีด่ดีได้เนี่ยนะแค่เกิดเข้าใจธรรมะแม่ครัวจะรู้สึกว่าจิตจะเปิดแล้วก็ยอมรับคนเนี้ยดีแต่ลุงตาเดินไปลุง <c oughs> อี ป, ปอบนุนว่อยากดีมาไยมนมาไหนี้บอกให้มันสั่งใจว่ารับะะพ่อนผู้ใดลุงตายไม่มาจีว่านั่นคุณแล้วเขาก็จะเริ่มมีทัศนคติที่ไม่ดีด้วยโอ้ คล้ายๆว่าเราทดสอนว่าอนุใสในจิตคนมันเป็นนี่ยมันรอจังหวะนี่อยู่พอคล้ายๆมีคนที่เชื่อถือได้มาพูดขึ้นมาเนี่ยคือเขาไม่ยอมรับด้วยสติปัญญาตัวเขาเองแต่มันไหลไปตามกระแสแต่ที่เขาจะเห็นโอ้ทันว่าไปกระเด็นโหลงตาหลอกลองในอารมณ์นะเนี่ยเนี่ยแม่ชีคนหนึ่งเนี่ยไม่ชีพูดชื่อแม่ชีบ่วยไม่ชีบ่วยเนี่ยเวลาหลวงตาพูดทนั้นนี่แกจะยิ้มนะ แกจะระวังตัวเห็นปะเอ้าดวงตาจะหลอกลงขุมอีกแล้วเนี่ยแกจะรู้นะคือแกจะระวังเวลาแกทํางานไม่จีบ่วยดูแกจะไม่สนใจใครเวลาแกไปทํางานแกไปทําคนเดียวเลยอยู่ในวัดเนี่ยงานอะไรก็ตามมดงทีแกไปโกยขยะแกไปคนเดียวไม่มีเพื่อนไม่มีใครแก่ทาคนเดียวเวลาไปเผาขยะอนั่นนี่แกชอบไปทํางานที่คนไม่ทําคนที่ไม่ทําก็คืองานมันยากไงมันยาก มีคนมองข้ามเน่ะเกจะไปทำเกทำํกทำก็ทําแบบทำแบบธรรมดานั่นแหละนะไม่ใช่เกไปทุกข์ไม่เกว่าแต่ก็ว่าเกทวนกระแสมันนี่จะากทำปุ๋นทำมองตาอะไรเดี๋ยวเวลาเวลาขับรถให้ลนตาจะพูดเรื่องตลกให้ฟังกลัวเกง่วงนะต่ก็จะระวังลนตามึงจะคิดไปข้างนอกแล้วนะเนี่ยอืมอไม่จึงรู้นะพอไปหลายคนก็เหมือนกันไม่คว่ ระวังโลตัหลอกเอาไปอยู่หลอกเอาจากปัจจุบันเด้อแต่แกก็จะเกือนสติอยู่เรื่อยๆตัวเอง น, นะนะมันก็ดีอยู่ทีนี้ไอ้ความเป็นเป็นคนที่มีกลุ่มมีหมู่มีคณะเนี่ยบางทีสติมันเผอง่ายหลุดง่ายเพราะมันอดไม่ได้นีดใสเดิมๆมีเขาเรียกว่าปฏิฆานใสเนี่ย ที่มันจะซึมซับบานออกมาอยู่เรื่อยๆบานออกมาอยู่เรื่อยๆเนี่ยถ้าเราไม่ตัดเนี่ยมันไม่ได้มันวิ่งไปตามแบบนี้แหละแล้วเวลาไปเดินจิตกรมได้มาจากไหนเรื่องอันนี้แหละที่มันเข้ามาเนี่ยเข้ามาสู่จิตเราเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เรื asshole asshole <allied> ่อยๆเรื่อยๆเรือยๆโดยเาคนที่ชอบคุยเรื่องของคนอื่นเนี่ยจบพอดีเลยปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาดีก็ช่างเขาเถอะเขาชั่วก็ช่างเขาเถอะโน้ตาเวลาพูดขึ้นมาเนี่ยมีแต่เรื่องดีนะของคนคนหนึ่ง ใครก็ทำแห่ะหลวงตาพูดแต่เรื่องเขาดีเรื่องทําไม่ดีหลวงต า, าไว้ด่าต่อหน้าถ้าเรื่องไม่ดีมึงแต่เวลาพูดถึงใครก็ตามมิแต่เรื่องดีหลวงพูดสั่งก็เกิดเหม่มาเนี่ยว่าวิงวย่งดีได้หนิเนี่ยแต่ลงไปลงตาด่าได้หนิมาเนี่นจับย อ, อกเขาหอกเขาอย่ารับเด้อเธอต่อไปวะเสียบเข้าได้หน่เอาเข่าเสียบเอา <c oughs> แต่ขึ้นมาต่อหน้าคนผมต้องเจียวเลยเ ว, ว้ยม่เป็นอย่างเนี้ย เหมือนกันเนะ่ะคนนั่นดีคนนี้ดีดีไม่รู้จะว่าเขาไม่ดีทําไมเนาะนั้นในวัดนี่โยมจะเห็นนะหลวงตาพูดเนี่ยไม่ได้เคร่งเครียดอะไรนะมันเหมือนเพลิดเพลินเน่ะนะเหนะมือนหลวงตาเป็นคนไม่น่ากลัวแต่พระไม่จีในวันนี้เขาจะกลัวหลวงตามากเพราะไปต่อหน้าเป็นอีกแบบหนึง่งแต่อันเนี้ยดีเ น, นี่ยตอนนี้คือมันพูดก็พูดนะโดยธรรมชาติคือเขาจะดีหรือไม่ดีเนี่ยถ้าพูดเขาไม่ดีเรานี่นแหละเป็นคนสอนนะ่ะ เราเนี่ยเกินครึ่งรับบทบาทที่เขาแสดงอยู่ในปัจจุบันเนี้ยเราเนี่ยมีส่วนรับผิดชอบชีวิตเขาอถ้าเราว่าเขาไม่ดีก็เท่ากับพูดตัวเองนะแต่ว่าเขาดีเขาดีมันคล้ายๆแยกไปเลยนะเขาดีเนี่ยไม่ได้หมายว่าเราดีด้วยนะต้องมองลึกๆจริงจะเห็นว่าเราดีด้วยแต่มันจะรู้สึกว่าเขาดีเขาดีคือเขาฝึกเขาฝนเขาตั้งใจทําฝึกหัดแบบยิ้มไซดประมาณนี้ ตั้งใจมันก็จะพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นเพราะฉะนั้นสังเกตดูนะอารมณ์เรานี่เวลามันลากมาเนี่ยก็บอกว่าอยู่คนเดียวระวังความคิดอยู่ร่วมหมู่ร่วมมิตรระวังคําพูดคําจาที่เรามพูดมันคุยเนี่ยระวังจิตมันจะออกไปมันจะไหลไปไหลไปไหนไปราคะโทสะโมหะประมาณนี้มันไม่ไปในหรอกสามบรรดาอดีตอนาคตสองอันนี้พอใจไม่พอใจเนี่ยมันมีแค่นี้เองมันมีอะไรอีกอะเราไปวาดวิมารเลยอย่างอื่น่ะ อนาคตจะเป็นเนัื้อไหลไปแล้วอีหน่อยก็เสือเส่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไปลวงตาเนี่ยอายุได้ห้าสิบลุงตาก็ว่าบุญหัวแล้วนะท mm. ี่ก็ยี่สามเท่าไหร่2ี่สิบเก้าแล้วเนี่ยยี่สเก้าปีหน้าก็สามสิบแล้วนานน่ะไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเนี่ยแต่ชีวิตเราอยู่เอา้าคนเกิดปัญญานะคนเกิดปัญญาสุขโตไปที่ไหนก็ทำให้คนสุขโตได้ แต่หลายหลายคนมีชีวิตยอยู่ห้วยร่างกายดีสังขารดีหุ่นดีอ ด, ดีมากๆแต่ไปไหนคนคนทุกข์กระตตัวเองก็เป็นโทกไปไหน ก, ก็ยังกับไฟหรืออย่างนี้น้อยก็ไม่ได้ส่องสว่างกับผู้อื่นได้ประโยชน์อะไรชีวิตอันเนี้ยห่อไปจนนั้นแดกกันนั่นห่อไปชนี่กินนั่นน้อนอันนี้ก็อยู่แค่นั้นเองชีวิตนั้นมีอะไรขึ้นใหม่มันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรน่ะเดี๋ยวก็รักคนนั้นชังคนนี้กระทบกระทั่งนั้น บางทีพี่กับน้องกัดกันเนี่ยกับหมาพูดกันหน่อยไม่ได้กัดกันแล้วกัดกันแล้วไม่รู้มันกัดกันไปทําไมนะถ้ากัดกับหมาบ้านอื่นน้องก็ลําบากเนาะกัดกับน้องกับพี่นี่แหละกัดเรื่องคดีกันเองเอาเยกอยู่ประมาณนี้มันไม่รู้จักไลอันนี้จังคนอยู่ทํางานด้วยกันกักัดกันนลยจริจริงกัดกันต่างคนก็ต่างเป็นโรคนะโรคราคาโทสศัพท์ว่าพี่เขากำลังจะตายเนี่ย เนี่มันเสื่อมไปเรื่อยๆร่างกายนี้ก็เสื่อมแต่ก็ ก, ก, กัดกันกัดกันก็เสื่อมหนักขึ้นกว่าเดิมก็ผูพังไปเรื่อยๆถามว่าได้อะไรเราทําแล้วเราได้อะไรไม่เห็นมีอะไรอ่ะโกกันนั้นว่าคนนั้นดีแล้วได้อะไรไม่มีว่าคนนี้ชั่วแล้วได้อะไรไม่ได้อะไรได้แต่ภาพของเราว่าเออจิตเรามีอารมณ์มา น, นี้เนาะเราเกลียดคนนี้เนี่ยเราเป็นอย่างนี้น้ใจเราเนี่ย ถ้าเราฝึกสติดีๆแเราเห็นเลยว่ามันเข้ามาในใจมันเข้ามาในใจมันมาหมักหมมอยู่ในใจมันเป็นก้อนอ้อยเนะอยู่ในใจแต่ถ้าฝึกนานๆมันมาในอ้อยแล้วอายนะอญยะถ้ามันหนักๆของอวกหยวกอยู่ในใจง้อลาบากแค่ okay. นั้นสิ่งที่เราจะทํามาคือถ้าไม่อยากให้คนกระทบกระทั่งเสียดสีสิ่งหนึ่งเราก็ไม่ประพฤติทุจริตทางกายวายใจ ทำใจมันสบายนะที่นี่จเจริญตาจเจริญหูกับผู้พบเห็นผู้ได้ยินได้ฟังแต่ที่นี้นักปฏิบัติธรรมเนี่ยพูดดีพูดไม่ดีเหมือนกับการสอบอารมณ์ไปในตัวนะไปในตัวฝึกฝนไปในตัวสร้างความเข้มแข็งพรอครูบาอาจารย์เนี่ยหวังอะไรกับเราไม่ได้หวังอะไรอ่ะไม่ได้หวังอะไรกับคนมาปฏิบัติธรรมเนี่ยด่าเนี่ยให้เขาเป็นทุกข์เหรอไม่ใช่นะยกย่องให้เขาเป็นสูงแล้วไม่ใช่ เราต้องการให้เขาเกิดด้วยปัญญาด้วยตัวเขาเองเนาะเนี่ยเอาคำพูดไม่ดีออกไปแต่มันมีสาระอยู่ในตัวนะพูดไปปุ๊บไปแปลงซะผมว่าเรามีเตาไมโครเวฟเนี่ยสติเราดินไมโครเวฟเรื่องไม่ดีออกมาเอาเปิดมาเอากินได้เรื่องดีออกมาดีก็มีเชื้อโรคนะคํำยกย่องสารเสริญเข้าเตาไมโครเวฟปุ๊บซะภาวนาเนี่ยเฮ้ยท่านพูดมาคูก็รู้สึกตัวเอามาเอ า, เอ า, เอาดีไป มึงเขาว่างหอกคว้างดาบใส่พระพุทธเจ้าน่ะกลายเป็นดอกไม้ดอกไม้จําคําหนึ่งไว้หน่อยดิสับกันึ่งหน่อยมาลายมีอะไรกับใครเนี่ยเราให้พวงมะลายให้พวงมะลายเขาให้พวง ม, มาลัยที่โยมให้พวงมะลายลงจามาลุงจากันเลยบอกว่าคําว่ามาลายเนี่ยมันว่าจะกคำว่ามาบวกอะไรอะไรเนี่ยเข้าใจนะอะไร อะไรอวร์นอะ่ะคิดถึงห่วงหาอะไรแต่ถ้าให้พวงมาลัยเนี่ยคือการตัดความสัมพันธ์นะมาเนี่ยเท่ากับโนเท่ากับนะมามาอะไรก็คือตั้งนี่ก็ไปซีโบได้อีกแล้วเด้อ <c oughs> ตั้งแต่นี้ต่อไปเด็ดขาดแล้วนะเนี่ยให้พวงมาลัย มาลัยก็คือผู้ไม่อะไรอาวร์ต่อไปนีิจะไม่มีอะไรอววรหรือท่านก็อย่าอะไรอาวร์ถึงฉันฉันก็จะไม่อะไรอววรถึงท่านเขาก็เลยให้พวงมาลัยคือในแง่มุมของพุทธศาสนาเนี่ยเขาเน้นเรื่องการตัดความปรุงแต่งตัดความยึดติดความผูกพันตัดอุปทานขันเราทำเป็นไหมเขาจึงให้พวงมาลัยกันเลยมาลัยเนี่ยแต่กับเป็นว่าพวงมาลัยก็เป็นสัญลักษณ์ในความยึดถือความ ยึดติดความผูกพันเห็นไหมโลกเขาใช้ไม่เป็นเหมือนธรรมะนะธรรมะเป็นอีกแบบหนึง่งภาษาธรรมเนี่ยแต่ภาษาโลกเป็นอีกแบบหนึง่งโทลาอนกันทำอะไรแบบไม่อะไรคือตัดนะปล่อยวางแล้วปล่อยวางแล้วทำใจแล้วอะไรมันมีไหมมีในวนรรณคดีพุทธศาสนาเนยะพระมาเลยไปโปรดสัตว์นรกเดี๋ยวก็เหาะไปเมืองสวรรค์เนี่ยคนที่ไม่อะไรอวอะไรนะ ไปเมืองนรกก็ได้ไปเมืองสวรรค์ก็ได้แต่ไม่ติดเมืองนรกก็ไม่ติดนรกไปสวรรค์ก็ไม่ติดสวรรค์เหาะไปไหนก็ไปได้นะจนกระทั่งว่าเอาเรื่องพระเวสสันดรมาเล่าให้เราฟังคือพระมาลัยนี่แหละพระมาลัยผู้เปิดประตูนรกสวรรค์เนี่ยมันต้องไม่อะไรนะของเราก็เหมือนกันทีนี้มันจะไม่อะไรอวรได้เป็นไงมันก็ต้องเห็นจิตตัวเองนะเห็นปัญหาว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงอ่ะมันจะปรุงแต่งปรุงแต่งมาจากไหน ต้องเห็นมันนะ่ะถ้าเราเห็นปุ๊บการเห็นเนี่ยมันเกิดพร้อมกับการสภาวะทำปรากฏคือความไม่เที่ยงเกิดขึ้นตัวนั้นเลยเพรเห็นปุ๊บมันก็ไม่เที่ยงเลยยิ่งถ้าเห็นเป็นน้ำตาลสว่างแจ้งขึ้นมาเนี่ยเอา้ามันหายไปเลยเนะ่ะไม่มีเลยว่างโล่งปโปร่งเอา้าเขาเรียกว่าหลุดพ้นชั่วขณะวิขำพนาวิมุตต์อเ น, นี่ยคนรู้อารมณ์รูปนามเนี่ยเป็นวิขมพนาวิมุตต์หลุดพ้นชั่วขณะทีนี้หลังจากนั้นก็เริ่มรู้สึกตัวมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น คนที่รู้รูปนามแล้วมีสติแล้วระดับหนึ่งเนี่ยมันจะเริ่มมันเห็นว่าทุกขมันเกิดตอนนั้นมันจะจ้องน่ะมันจะจ้องมันจะกดเข้าไปก็เรียกว่าแต่ทางควิมุตวิขัมปนวิมุตแต่ทางควิมุตคือหลุดพ้นชั่วขณะวิขับปนนุคือมันเริ่มกดเอาเลยทีเนี้ยมันจะเริ่มมึนหัวน่ะมันจะตามมาน่ะคนฝึกปฏิบัติได้สักพักหนึ่งมันจะมึนศีรษะเขาไปกดเอาไว้มันจะต้องทําให้มันพอดีจนทางเป็นสมุติเถรวิมุต หลุดพ้นแบบตัดขาดแจ้งไปเลยอ่ะไม่ใช่ไปข่มมันไว้แต่คนทั่วไปกดไว้หลายๆคนเนะี่ยใช้ชีวิตเนี่ยไปบอกเขาบอกว่าพูดอะไรเมื่อวานเนี่ยพูดอะไรกับลุงตาเมื่อวานถอนคําพูดเดี๋ยวนีนน้มันจะถอนได้เหมือนต้นไม้เลยคําพูดเมื่อกี้จะตกใจนะสมมติเฉยเฉยนี่ถอนคําพูดเนี่ยเห็นไหมจะไปไถ่ไปถอนทํำไมเราถอนออกจากใจเราเนี่ยเราจะไปปรุงแต่งกับเขาทําไมถอนออกจากใจก็จบอ่ะ ใจเราเนี่ยเรารู้วิธีถอนหรือยังเนี่ยจะไปให้เขาถอนเหรอเขาถอนไม่ไม่เป็นเขาก็ไม่เคยฝึกมาน่ะจะใครคําพูดแบบไหนน่ะถอนแบบไหนคําพูดเนี่ยผมไม่ได้พูดนะเหรอมันก็ไม่ได้นะมันยากนะคนเรามันเป็นสมมุติเอาเฉยๆน่ะฝันร้ายเมื่อคืนนี้ฝันร้ายฝันร้ายโบราณเขาถ้าฝันร้ายเนี่ยกลายเป็นดีถ้าฝันดีล่ะฝันดีก็ดี แล้วเมื่อไรเนี่ยมันจะชั่วสักทีอ่ะมันจะทุกเนี่ยมันก็ไม่ทุกสักทีนี่พอฝันร้ายกับการไปดีฝันดีก็คือดีกูไม่ถามอยู่าง้รแต่ฝันดีนี่แต่ถ้าฝันชั่วเนี่ยค่อยถามแหมมันไม่มีอะไรอ่ะชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าฝันเห็นงูนะเมื่อคืนเนี่ยเห็นงูตัวยาวเลยลงตาไอ้กูอ่านหนังสือนะฝันเห็นงูเนี่ยคนผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยฝันเห็นงูมันจะคิดมากนะตื่นขึ้นมันมันเป็นภาพหน้าขแั่งน่ากลัวเขาจะกลัวงูผู้หญิงเนี่ย สัตว์เลื้อยคานนี่เขากลัวจะดีอ่ะฝันเห็นงูมันจะกลัวกลัวนั่นกลัวนี่ไปโ น, น่นนี่เขาก็บอกว่าเอ๊ะทำยังไงอ่ะฝันเห็นงูเนี่ยมันถึงจะแก้ปัญหานี้ได้อ่ะมันจะกลายเป็นชอบขึ้มาได้เอ้าเมื่อคืนฝันว่างูรัดเนี่ยกัดฉันเสร็แล้วนองงูเห็นมีเพลงก็ว่านะถ้าฝันเห็นงูก็แสดงว่าจะเจอเนื้อคู่ มันก็สบายใจไปเลยที่ไ้ฝันเห็นงู่ือสบายเมื่อคืนมันไม่สบายเพมันคิดเยอะไงมันฝันเห็นอะแล้วมันจะคิดมันจะติดอยู่ในใจแต่นี้เขาบอกว่าจะเจอเนื้อคู่ซะมันก็สลสบายไปซะที่นี้มันจะเจอไหมล่ะไม่เจอมันจะไปเจอได้ยังไงเนาะไปเห็นใครก็นึกว่าคนนี้เราั้งคนนั้นเราว้างเลยคุยไปคุยมาอ้าวเลยถูกจะหลอกไปซะก็เลยเหมือนเนี่ยเหมือนพระเขาบอกว่าเนี่ยดูลาศีแล้วจะตายภายในเจ็ดวันนะเนี่ย โอ้ยกลับไปคิดมากเลยนะไปลบอยู่ในห้องไม่ยอมกินข้าวกินน้ำพระองค์นี้แม่นนะเออมันตายเพราะไม่กินข้าวไม่ได้ตายเพราะเจ็ดวันเจ็ดวันในอาทิตย์จันทรคัาประหัตสุสเสาเนี่ยแถวเนี้ยตายในเจ็ดวันนี้ไม่วันได้กับวันหนึ่งมันก็ต้องตายแถวนี้ยแหละแต่เราไม่เข้าใจดังนั้นถ้าเราเข้าใจอันนี้จังสักหน่อยเนี่ยมันสบายวานทีเมื่อย ก, ก, ก็เมื่อยเดินจูงกงก็เมื่อยจังแะ เมื่อจะกระทั่งลืมเมื่อมันเป็นอ น, นิจจ์นะเดี๋ยวเดินหาที่สุดของทุกข์ดูดิที่สุดของทุกข์ในเบื้องต้นก็คืออนัตตาในรูปในนามแต่เราจะไม่เห็นอนัตตาก็เห็นอ น, นิจจงไว้ก่อนเถอะไม่เห็นอ น, นิจจงก็เห็นทุกข์ไว้ก่อนเถอะโอ้ชีวิตเป็นทุกข์แบบ น, นี้เนาะยิ่งมันมีทุกข์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันจะอยากออกจากทุกข์เดี๋ยวนี้เราเป็นทุกข์แต่เราไม่ได้อยากออกจากทุกข์ไงอยากออกจากทุกข์ไหมไม่มันเป็นทุกข์อยู่แต่มันอยากไปสนุก มันไม่ได้อยากออกจากทุกข์ไม่อยากดับทุกข์โอ้ทุกข์มันมาตัวนี้เนาะแทนที่จะหนีไฟไม่เราหาน้ําดับมันซะเห็นเหตุมันก็าเรียกว่าสมุทัยของปัญหานี่เราก็ดับมันแต่นี้คนไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจคูไม่รู้ว่จะดับตรงไห น, นดับอะไรมันก็ไหลตามกระแสแล้วก็โทษโลกทำไมอย่างนี้ต้องทําอย่างนี้กับฉันทําไมอย่างนี้ต้องกับกูกูทํำไมเป็นอย่างเนี้ยเอา้ามันไม่ใช่ใครทําอะไรให้เรานเนีะ่ะเราเอามาคิดเองทุกผิดเนี่ย โลภโกรดหลงเนี่ยปรากฏกับจิตเราแล้วแต่เราออกไม่เป็นไงเราพูดได้ ว, ว่าเหมือนลูกศรคนคนหนึ่งอ่ะถูกยิงลูกลูกศอนอาบยาพิษหน้าที่ของมันคือรีบถอนลูกศอนออกซะแล้วรักษารักษาพอถอนได้ตอนนี้ก็ถอนวิ่งไปหาหมอถ้าอยู่ใกล้ก็หาหมอถอนออกแล้วก็รักษาแผลมันก็้ค่อยว่า ก, กันแต่คนส่วนมากจะพูดว่าใครยิงเราวะลูกศรนในยี่ห้ออะไรเนี่ย ทำมาจากโรงงานไหนผู้คนยิงในสูงต่ำดำเขาผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยทำในประเทศไทยหรือหรือต่างประเทศทุกสอนเนี่ยโวยตายพอดีทำไมฉันปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะจริงๆไม่ใช่ปฏิบัติธรรมก็ําอยู่ทั้งโลกก็ตามนะ่ะเราควรจะมองมาว่าเราเป็นอะไรตอนเนี้ยโลภโกรธหลงเข้ามาในใจเราแล้ ว, ลวติดแล้วอึ้บแล้วเอาตายแทนที่จะใช้สติ จนถ้าว่ามันเป็นอนิจจังนาดีมันสลายหายนาดีเราก็ไม่สนใจแล้วก็ไปวิ่งหาโน่นน่ะใครยิงมากใครพูดให้โก้ใครดูถูกใครดูมินเหยตยามฝ่ายไหนฝ่ายข้านฝ่ายรัตตาบ้านฝ่ายกู้ฝ่ายมึงถูกผิดอะไรประมาณนั้นสถาบันไหนมันเกี่ยวกับเราไหมอยู่ประมาณนั้นโอ้ยตายแบบนี้นี่นั้นวิปัสสนาคือการมาดูเหตุของมันเหตุเกิ ด, กดทุกอัฏฐันยุตา รำมัญญุตาทำมัญญุตาอัฏฐานยุตาปุครโอพันยุตาอัฏฐานยุตาอัฏฐาลลนานีนนเน่เป็นผลทำมัญญุตาธรรมะเป็นเหตุเหตุมันเรามาดูเหตุสิเนี่ยคุณจะทำของสัตว์บระหลุตก็คือดูเหตุของการเกิดทุกข์ดูดิเนี่ยมันเกิดในจิตก็เห็นมันเกิดในจิตความคิดความจำเป็นธรรมชาติแต่ถ้ามีอารมณ์ราคะโทสะโมหะเข้าไปผสมเนี่ยอันนี้แหละจะสระ้างปัญหาให้กับชีวิตเราเราก็ดูดูความเป็ี่นในนิจจัง ดูอย่างเรานั่งสร้างจุ๋่สนั่งจนทำมันหายคนส่วนมากชอบเดินจงกรมนะชอบเดินจงกรมเดินจงกรมนี่ความคิดมันจะเยอะมากยิ่งเป็นคนคิดมากยิ่งไปเดินจงกรมยิ่งเจ็บเดินก็คิดไปเดินไปคิดไปเดินไปคิดไปนะแต่เขาลืมว่านั่งทำเขาก็กลัวมันง่วงแต่เขาไม่เข้าใจว่าออกจากความง่วงเขาจะมาเจอความคิดแต่เขาผ่านความง่วงถ้านั่งได้ความคิดก็จะน้อย มันจะแทบหลุดไปเลยแหละแต่คนส่วนมากเดินเดินเกินคิดเยอะฉนั้นเอาเสื่อไปปูแล้วนั่งทำนั่งเก้าอี้ก็จะงายนะปูเสือแล้วก็นั่งทำโคกเขาบ้างอะไรบ้างนั่งคคกเขาห้านาทีพระเพียบห้านาทีหัดสมาธิสิบนาทีถ้ามันนานหน่อยนั่งชันเขาสักสิบนาทีกลับไปก็มาวันหนึ่งชั่วโมงหนึ่งมันเร็วมากวุบปับวุบปับอา้าวสิบเจ็ดนาฬิกาแล้วตีเดครัังแล้วเนี่ยสมาธิมันก็โตวไวเร็วขึ้นเพราะเราไม่มีเวทนาเยอะ รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนิจจงเป็นทุกขังเป็นอนตตาแต่ถามว่าเห็นมันเป็นทุกขังไหมยังหนีไหมอันนี้เหนื่อยหนนะสังขารนี่ไหมเกิดไหมเกิดปฏิสังขาเปกขายานสังขารปฏิกสังขารยานพิจารณาเห็นสังขารร่างกายนี่เป็นทุกขเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนตามันเห็นมั้งไหมมันไม่เห็นเน่ยยกมืออะไรก็สติมันไม่รวมเป็นหนึ่งให้สตี มันไม่สามารถที่ยกเอาความทุกข์ออกจากจิตได้เพราะความรู้สึกตัวนี่มันไม่ต่อเนื่องเราจึงพยายามที่จะไม่ต่อเนื่องเน้นความต่อเนื่องอันนี้เน้นความต่อเนื่องไม่ใช่เรามาออกกำลังกายนะเนี่ยเรามาปฏิบัติธรรมฝึกสติอเ น, นี่ยแต่ร่างกายก็มีส่วนแหละก็ดีขึ้นก็ผอมลองนะสุขภาพก็เริ่มดีขึ้นแต่ที่สาคัญคือจิตเนี่ย กลับเป็นว่าเริ่มงุดหญิมดมากขึ้นโกรธมากขึ้นเบื่อหน่ายมากขึ้นอยากหนีอยากกลับบ้านมากขึ้นกิเลสยิ่งอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นเนี่ยเห็นไหมตัวผอมอยู่แต่กิเล่มันมากขึ้นบางคนอยากกลับบ้านแน่นกินข้าวไม่ลงวันนี้อยากกลับบ้านถูกมากเห็นไหมมันเข้าไปอยู่ข้างในแล้วอารมณ์เนี่ยเราไม่รู้จักมันเกิดมันดับยังไงเนี่ยอย่างในตำราในพุทธศาสนาเขาบอกว่าชีวิตเนี่ย การดำเนินชีวิตเนี่ยคือการบริโภคถ้าบริโภคเป็นก็ไม่เป็นทุกบริโภคไม่เป็นเป็นทุกบริโภคยังไงอ่ะวันวันหนึ่งเนี่ยเรากินอาหารอยู่สี่ประเภทต้องทําให้มันสุกแต่เราไม่รู้เคยจะไปกินอาหารด้านนั่นกินอาหารแลนี้ยิ่งถ้ากินกับฝรั่งทํามเนียมก็คือกินไปคุยกันไปสนทนาปะนาะไปกินโต๊ะนั้นแล้วก็คุยกันนันนี้รู้สึกว่าถูกคือยิ่งกินในความคิดมันยิ่งเกิดมันเพลิ ด, ม, ลดมันเพลินไง มันไม่ไปติดแล้วเวลากินอาหารมันแก้เขินไปในตัวกินไปแก้เขินไปคุยไปถ้าไม่ศบตาไม่ว่ามันก็กินข้าวไปอะไรไปมันก็เพลินเลินหลบเบี้ยวไปเลยคุยดีแต่พุทธธรรมเขาไม่เป็นเน่ยเขาถือว่าการกินข้าวถือว่าอันตรายมากกินสงบเป้าหมายของการกินของพุทธศาสนาก็คือเพื่อนิพานกินแบบสงบระลึกรู้เคี่ยวระลึกรู้ไม่ใช่เลยจะคุยเพลินเพเพื่อให้ความคิดเกิดนะเพื่อแก้เขินไปเราไม่ใช่ แต่นี้ปฏิบัติทำเนี่ยเพื่อเกิดการรู้แจ้งเกิดการเห็นทำเกิดการบรรลุธรรมขึ้นมาแต่คนไม่เข้าใจทีนี้เวลาเรากินเนี่ยอาหารมันมีอยู่สี่แบบหนึ่งอาหารที่เป็นคำคำเนี่ยเวลาเรากินเนี่ยก็เ ร, เรียกว่ากวลิงกรลาหารกรวลิงคือมันกลิ้งไปเนี่ยเป็นคำคนีนกวลิงเนี่ ย, ยมันกลิ้งไปกวัล ah ิงกรลาหารอาหารที่เป็นคำคำ ตักอาหารเข้าไปเนี่ยอันนี้ก็จําเป็นต้องทําให้มันสุกทํามันไม่สุกก็มีโรคมีภยัยไข้เจ็บมันมีโรคภยคัยไข้เจ็บเบียดเบียนเราก็เป็นทุกข์เนี่ยฟังโลตาพูดเอาไปฝึกทันทีเลยทีนี้ประเภทที่สองผัดสาอาหารอาหารคือผัดสะผัดสะแต่ต้องซูนบายเนี่ยทําให้มันสุกบ้งไหมเนี่ยเคยทําให้มันสุกไหมเวลาผัดสะเนี่ยมีแต่ความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นนะเกิดโทสะโมหะ โลภะขึ้นมาในตัวเองเนี่ยมีความกำหนัดขัดเคืองขึ้นมาแตนี้มีความพอใจความไม่พอใจเวลาผัดสะที่เจมันไม่ตายเนี่ยกิเลสมันไม่ได้ตายมันปรุงแต่งเนี่ยมันอาหารอย่างมีมีปลามีเนื้อเรายังทําให้มันสุกได้แต่พอผัดสระนี่ไม่เคยเลยเราไม่มีไฟตับะไงอาตาปีสติมาสัมบัติเจโนมีความเปลี่ยนเป็นเพื่องเผาบาปกิเลสที่มันเข้ามาในเขาเรียกว่าบาป เราเอาเครื่องไปเผาเันไหมไม่มีนะ่ะพัสังหารสองอันตัวที่สองข้างนอกอาจจะกินนะกินของสุกแต่ก็ไม่รู้ปริมาณบางดีมันยากลําบากกินคุณภาพกินปริมาณเนี่ยเสื้อผ้าเครื่องแต่งตัวเราไม่รู้นะเอาแต่ของนุ่มของนิ่มอน่ะเสื้อยีหอ้อนั้นวะเสื้อยีหอ้อนี่วะอะไรประมาณนั้นในในพระไตรปิฎกจะมีคำนหนึ่งว่า จิตเนี่ยถ้าฝึกดีแล้วเนี่ยจะเหมือนกับขนแมวฟอกโยลูกเหล็กเข้าไปเนี่ยมันจะไม่มีเสียงเลยหนังแมวไม่ใช่ขนแมวหนังแมวที่ฟอกแล้วมันจะอ่อนุ่นเราก็ไม่เคยเห็นเนะขาฟอกขนแมวหนังแมวยังไงแต่มันจะนุ่มนิ่มจิตจะเป็นเหมือนนั้นเห็นแต่ขนแกะขนแพะเนาะเรา่เคยรู้จักขนแมวขนแมวมันอ่อนนะขนาดเราลูบมันก็นยังอ่อนนะ ผัดสะมันจะนิ่มมันจะนุ่มจิตก็เหมือนกันนะ่นะเวลาผัดสะเนี่ยมันจะรับรู้เลยผัดสะทางตาทางหูทา ง, ง, งจมูกทุกนย่เหมือนมันกินแบบหนึ่งเขาเรียกว่าอาหารทางผัดสะมันก็ไม่ก่อเกิดทุกข์เพราะเราตัดความพอใจไม่พอใจออกแล้วมันสงบแล้วไงอันที่สามนี่คือมนุสันเจตนาอาหารอาหารคือเจตนาคือความเขาแปลว่าความจงใจ อาหารคือความคิดความหวังนั่นแหละแต่ว่าความคิดความหวังถ้าเป็นของอริยะมันก็เป็นีกแบบหนึง่งก็คือมันเหมือนกันพัดจะไลไปในตัวเสร็จสับแต่ของเราไม่มีเครื่องมือแบนั้นนะความคิดเข้ามากระทบก็เกิดสุขเกิดทุกข์เกิดพอใจไม่พอใจเห็นนกเห็นหนูเห็นงูอะไรประมาณนั้นนะได้ยินเสียงลมแบบนี้ทำใจไม่ค่อยได้ใบไม้ตกป้องมาแล้วมังเนี่ยผี เพราะมันมีเชื้อผีในใจไงมันมีเชื้อความกลัวในใจอะไรตกลงมาเป็นอันนั้นทต่ดีเหมือนเราเข้ามาในที่มืดจาปิดไฟเนี่ยว้ายดําๆนะ่ะอะไรนาะอันนั้นเป็นอะไรนาะเพราะจิตมันมีความสงสัยอย่างนี้มันไม่สว่างในใจเนี่ยมันก็จะมีอารมณ์พวกนี้อยู่ข้างนอกทีนี้ปฏิบัติธรรมคือสลายอนนี้ปุ๊บมืดก็คือมืดไม่มืดก็คือไม่มืดแต่จิตมันอยู่กับความจริงมันออกมาแล้ก็ดูเอ้ามีอะไรก็มีอันนั้นอะผีก็คือผีแต่ไม่ได้กลัว ไม่มีหรือไม่มีอะไราจิตมันจะเฉยๆธรรมชาติมากถ้าเราสำหรับความรู้สึกว่ามีผีเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรเป็นเรื่องน่ากลัวนะมันไม่มีผัสสะทั้งไหนทั้งตาทั้งหูจมกูกอา้าวรู้สึกมันรู้เท่าทันเนี่ยมโนสันเจตนาหารอาหารคือความคิดความหวังอาหารคือเจตนาเจตนาคือความจงใจแต่ละเรื่องแต่เรื่องแต่เรื่องมันไม่มีพิษ พอเราสักฟอกแล้วเราทําสะอาดแล้วมันไม่กาเริบโรคมันไม่ถึงเราอะ่ะเราก็คิว่าบริโภคทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเอารู้สึกว่ามันไม่ทุกข์สักกันนะ่ะอันที่สามวิ ญ, ญญาณอาหารที่4เนี่ยวิญญาณอาหารคืออาหารคือวิญญาณวิญญาณคือการรับรู้วิญญาณคือความคิดความไร้สารที่มันไหลไปเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ทุกข์สักกันนะ่ะเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับ เพราะอะไรเพราะเรามีตัววิปัสสนาไอตัววิปัสนาเนี่ยมันมารักษาคุณภาพหรือ ม, มารักษาจิตเราไม่ให้มันเน่าเพราะเชื้อโรคที่จะเข้ามากับอาหารอีกสามประเภททั้งตามนี่ดูแลอาหารดิบของร่างกายหนึ่งประเภทแต่ถ้าเกิดวิปัสสนาเนี่ยเห็นไหมคนเราเป็นโรคเพราะเนี่ยพอกินอาหารผิดเนี่ยตั้งสามอย่าง แต่ทั้งโลกมีอันเดียวเขาระวังได้แค่อันเดียวแค่สุขๆดิบดิบแต่อารมณ์สุขสขดิบๆบที่เข้ามาเนี่ยทั้งผัสสะทั้งวิญญาณอาหารทั้งมโนสัญเจตนาหารเขาไม่เคยเห็นเลยไม่รู้จะดับยังไงเอาไปมาก็เลยเป็นทุกเป็นทุกเพราะเป็นทุกทางใจมันมีความต้องการความคิดความอยาะกเมื่อไหลไปเทีนี้ก็ออกไม่เป็นน่ปฏิบัติทำเนี่ยทยํายังไงที่ว่าเนี่ย อันนี้จังม so <im> ันถ e ึงจะชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นอันนี้จังเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเหมือนเราเปิดไฟในที่มืดเน่ะมันสว่างอันนี้จังคือมันเกิดเกิดดับดับ่งบางทีก็สว่างบางทีก็มืดบางทีสว่างบางทีก็มืดบางทีมันก็สว่างบางทีก็มืดมืดมืดสว่างอะไรประมาณนั้นคล้ายๆจะทําใจได้อันนี้จังคือแบบนั้นนะแต่อานาตานี่เปิดไฟปุ๊บอ้าวสว่างเลยอ่ะ ไอ้ความทุกข์ที่มีในใจมันหายไปเพราะของการเปิดไฟขึ้นมาทุกข์เนี่ยมันไม่ได้เหมือนทางโลกทางโลกกินยาค่อยๆดีค่อยๆหายแต่นี้เวลามันหายแล้วมันหายไปโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองเนาะมันอนิจจังเป็นแบบนี้นะมันอนัตตาเป็นแบบนี้อนัตตาคือไม่มีตัวตนความคิดมันไม่มีตัวตนเกิดแล้วมันก็ดับไอ้ที่มันไม่ดับเพราะอะไรที่เราคิดเพ้อคิดเพลินจนโศกเศร้าเสียใจเพราะอะไรเราเข้าไปอยู่ในความคิดพอเข้าไปอยู่ในความคิดแล้วก็ไปปรุงแต่งในความคิดมันก็ไม่ดับแล้ว มันเจ็บก็ไปอยู่ในความเจ็บซะเข้าไปทําไมมันปวดแล้วก็เข้าไปในความปวดซะเข้าไปทําไมอ่ะดูมันเฉยเฉยไม่ได้แล้วเป็นผู้ดูเนี่ยระลึกรู้เนี่ยมันงงงิดมันเบื่อไงมันก็ว่าดูมันเฉยเฉยอย่าเข้าไปอยู่ในอารมณ์เห็นเป็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินดมกลิ่นสักแต่ว่าดมกลิ่นลิ้มรสสักแต่ว่าลิ้มรสเวลามันนึกคิดขึ้นมาก็รู้เฉยเฉยมันก็ดับแค่นี้มันไม่มีอะไร พระพุทธเจ้าท่านพูดคำนี้กับพระพายหญ้เป็นโยมนะเป็นโยมชอบนั่งสมาธิชอบปฏิบัติธรรมวิ่งไปถามพระพุทธเจ้าคนนี้เขาเข้มแข็งนะขนาดนุ่งแหนะตกน้ำไปค้าขายเรือส้ำเภาแตกไม่รู้จะทำไงก็เลยเอาแหนะมานุ่งพอเนึง่งขึ้นฝั่งพุ๊บเอาคนนึกว่าพาาาระอรหันต์ไม่นุ่งผ้าก็ได้นุ่งแหนก็ได้นะเอาจอกมาปิดตัวนี้สามใบเดินไป เอาต่อมาคนชื่นชมสารเสริญสองปีสามปีขึ้นไปอา้าวปฏิบัติตอนนั้นตลอดเลยนุ่งแหนะไปหากเก็บมันุ่งเพิ่อมอีกเนี่ยแต่พอมีเพื่อนที่เคยอยู่ด้วยกันน่ะเขานึกได้โอ้เป็นลือสีแล้วเนาะเขาเลยบอกว่าไอเนี่ไม่ใช่นะเนี่ยไม่ใช่อหรหันบบนั่นแบบเนี้ยอหรหันเกิดกันนี่นนอิเดตาธาค า, าโตโลเกโอปโนพระพุทธเจ้าเกิดแล้วอยู่โน่นอยากรู้อหรหันจริงๆไม่ต้องไปถามดูดิมันเกิดความละอายขึ้นมา คนมาทําบุญทำทานเต้ตหมดของเครื่องสังกัาอะไรเพราะอะไรเป็นคนไม่นุ่งผ้าหากินดังนั้นนะ่ะมิว่าตัวเองเป็นผู้พิเศษแต่พอไปหาผูา้ที่พูดสองสามคำนี่แหละอาหารเป็นยังไงครับผมอยากรู้อาหารผมนี่ไม่ใช่อาหารเนื้แล้วท่านเป็นอาหารอารหารมันคืออะไรพุทธวิหารไม่ใช่เราแต่อาหารคือจิตจิตที่มันเห็นเป็นศักแต่ว่าแล้วปล่อยวางนะ่ะที่พอฟังปุ๊บ ตอนพระพุทธเจ้าบินถวัตรสว่างแจ้งบรรลุอลหรหันต์เลยทั้งนุ่งแหนอยู่นี่รู้แจ้งเลยบรรลุธรรมเนี่ยเขารู้ว่าเป็นบุคคลที่บรรลุธรรมเร็วที่สุดในพุทธศาสนาขณะพระพุทธเจ้าไปบินถบัตยไปถามสักน้อยเพระกลัวคนเห็นไงเป็นระดับอาจารย์ไปถามต้องเอแบอบถามพอถามก็จะไปเลยไม่เข้าไปถามในสำนักนะถามตอนท่านบินถวัลย์ั้นความพร้อมมันมีเนี่ย เขาไม่นุ่งเพื่อนุ่งผ้าเขาทำใจมาระดับหนึ่งพอฟังปุ๊บมันก็ปิ้งทันเดียแต่ของเรานี่มันไม่มีพื้นฐานสติมันไม่มีมาอยู่ปฏิบัติทำซ้อมกันอยู่สามวันสี่วันห้าวันก็ยังง่วงยังโง่ยังสลึมสลืออยู่เอ้าตั้งใจดีๆมันยังไม่ตื่นตัวอยู่น่ะแล้วจะอยู่มันจะมาปิ้งกับเขาเลยนะมันไม่ปิ้งหรอกมันมีแต่ดังตับนี่แหละอย่างคุณบอกฮ้อลุไปบ่ายมือควนลงไปเนี่ย นั้นจิตมันต้องตื่นตื่นนี่ต้องโอ้ันเป็นนี้เนาะเริ่มเห็นละเริ่มสว่างแล้อันนี้จังเป็นแบบนี้เนาะก็อย่าไปทุกครั้งเริ่มทุกทุกก็อยากออกจากทุกพออยาเอาอยู่ะทุกมันก็วิ่งไปหาที่สว่างมันก็สว่าง น, น้อยก็คืออยู่ปัจจุบันนะเริ่มรู้นะท่นบอกก็เริ่มรู้ตัวหน่อยหน่อยอีสโนยเปิดชีวิตไฟได้ปุ๊บออกไปได้เลยเป็นอนัตตาใจมันว่างไงทุกอย่างเป็นอันนี้จังมันไม่เที่ยงสัง ก, กันะล็อกนะเราจะเข้าข้างตัวเองนั่นเลยชีวิตเนี่ยนุตนาเล่านิทานส่งท้ายสักรื่อง บวชนานนิทานมันเยอะพูดมากเนี่ใครจะรับผิดชอบคอเนี่ยเอาพูดมากลิ้มวิปากไม่ดีี่มีคนรับผิดชอบแล้วเอายาไม่ทาแล้วปากแห้ง <c oughs> แต่คอบวมนี่ยังไม่มีเขายาหมองมาให้ยาหมองคาพระไปที่ประเทศลาวมีปลากระป๋องตาคนตั้งคันยึดพื้น <c oughs> ทําไปทั่วเนอะปลากระป๋องกาไม่ม่านยึดพื้นี <c> ่ <oughs> ทีนี้นิทานนะที่จะเล่าเนี่ยนิทานว่าทุกอย่างมันไม่เป็นอย่างที่คิดสักอันหรอกคุณจะอยู่กับเหตุผลมากนั้เลยอะ่ะธรรมชาติคือธรรมชาติความจริงก็คือความจริงมีกษัตริชายในหนึ่งหัวล้านเป็นเศรษฐีร่ํารวยมหาศาลมีลูกสะพ้ายสองคนหน้าตาก็ไม่สวยพอไปวัดไปว่าไปไม่ทันตอนเช้าตื่นสายก็ไปตอนเพลิ นีいい่ทำไงอ่ะเขารู้สึกเขาแก่มากแล้วชีวิตเขาเนี่ยอายุจะเริ่มสั้นเขาสั้นเขาสั้นเขาอยากเอาทรัพย์มรดกที่มีอยู่เนี่ยมอบให้กับลูกเขยที่จะดูแลครอบครัวเนี่ยแต่ว่าจะให้คนไหนดีอ่ะสองคนเนี่ยลูกเขยคนหนึ่งเป็นหนานเป็นบ้านนอกอบวชมาปฏิบัติธรรมแบบนี้แหละนี่ แล้วก็ศึกไปก็ไปแต่งงานกับลูกสาวเขาอีกคนหนึ่งจบเป็นด็อกเตอร์มาจากเมืองนอกสองคนเนี่ยจะให้ใครดีใครจะมีปัญญาดูแลทรัพย์สมบัติเจได้วันหนึ่งก็เรียกลูกเขยทั้งสองเนี่ยมาหาลูกเขยเอ้ยมาหาพ่อหน่อยเถอะมันมีเรื่องอย่างละพอไน่งพ่อเอื้นอนพ่อม่มีธุระเจ้าไหนเนาอลูกเขยไป น, นอกเสียงมันต่างๆนะ คือว่าจังสี่หรอกอยากถามนะอยากถามปัญหาอยากถามนี่ยในพ่ออยากพาขี่เรือล่ อ, ลองเรือไปไปนั่งเรือเล่นบอมบินีนะเบิรงวิวทิวทัศน์ตามกระแสน้ำเลยไหมหว้วยก็คักพื่อแล้วพอ่อไม่ยังบ่ได้ไปเที่ยวต่างประมาแต่งงานยามพอดิกโก้ยูนันต์น้ำลูกสาวถ้าเฮตเตอรเบียกเฮตแต่ให้ฮ เ, เตอหน้าพ่อพาไปในกระสีดีดองผมเองก็มาจากเมืองนอกนานแล้วมั้งแต่แต่งงานแล้วอ้าว เที่ยวชมก็ดีล้อกะใส่แว่นตาซะนแบนผปกเนไทนั่งรถไปพูดอะไรจะผ้าผ่าบาแค่ผ่าบาอ้าวไจะไหนพอเอาพ้าเรือเด้อล่ะเด้อพอสีส้มผ้าส้มเดินชมลกชมมาไปขี่เรือไปใครจะมีปัญญามากกว่ากันในสองคนเนี่ยก็ขี่ไปล่องเรือไปเรื่อยเรืเรยรอจะมอบสมบัติรดกให้แล้วเนี่ย ตอนครั้งจะขี่เรือไปเนี่ยไปเห็นอึงอ่างไม่ไม่ใช่เห็นหา่านกำลังจะลงเรือเนี่ยเห็นหา่หางห่านมันร้องห่างร้รรองนี้นะหลวงตาเคยไปบินตบาบัตรห่านมันคาบผ้าจีวรเนี่ยดึงจนสุดทางเลยเดินตามก้นลงตามันคาบมันไม่ปล่อยนะทีแรกมันแอบแฝงนี้แ่ละลงตาก็ไม่ว่ามันไม่เป็นอะไรมากว่า ที่ไหนได้มันมาคาบจีวอลแล้วก็เดินตามก้นเราไปเลยโอ้เหมือนเป็นผู้วิเศษเนี่ยหานเดินตามเป็นบินสบายด้วยที่จริงมันคาบจีวอลไปพอกลับมาขาดพอดีเลยมันดึงนะหานตัวใหญ่ ไ, ได้ถามาเขาโอาลูกลูกลูกลูกดูดินี่หานเนี่ยถ้าไม่มนร้องเสียงดังจังเ้าครับเนาะโห้โโลูกคนที่เป็นดรจบบาณั์เมืองนอกนั่นคุณพ่อหานมันคอยาว ห่านมันคอยาวมันต้องร้องดังแบบนี้แหละ เ, เพราะว่ามันจะรีดเสียงคอเห็นไหมเสียงปืนนะ่ะเต่าเสียงปืนถ้าปืนสั้นๆมันพักปืนใหญ่ปืนอะไรเนี่ยมันเสียงดังมันรีดเสียงมันต้องเป็นแบบนี้ยิ่งมันคอยาวกว่านี้ยิ่งดังอ่ะยีราฟพวกนี้ดังโอ้เป็นเรงสั้นจีเพน่ะนะเดินไปเดินมาลูกเขยคนที่เป็นนักบวชเนี่ยศึกไปว่าเมียนว่าพอเพน่ะนะ ผมว่ามันบ่เกี่ยวกันดอกนะทําไมจึงไม่เกี่ยวซุ้มข้อสั่นๆห้องดังกว่าหานก็มีได้ป่ะนะอะไรอ่ะอึงอึงข้อสั่นๆก็ยังห้องดังฮานผมว่ามันบบเทียงมันไม่มีดอกมันบาได้คือเหตุผลเสมอไปดอกมันเป็นธรรมดาเอ้าฮานร้องดังนี่มันธรรมดาน่ะเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับเหตุผลอันนี้ขนาดอึ้งอ่างก็ยังร้องดัง พอเดินไปสัหน่อยโอ้แมนความมึงเนาะมนะัน่ะใช่อย่างนี้เองว่าพอไปสักพักหนึ่งไปเห็นเห็นขี้ควายอะ่ะไม่ใช่เห็นอะไรนะเห็นเป็ดมันลอยน้ำว่ายนะ้ำโอ้นี่เป็ดทําไมมันลอยน้ำเลยตีนมันเป็นพังผืชไงพ่อตีนเป็นพังผืชแล้วก็ขนมันเป็นมันมันจะพักพักพักพักไปได้สบายอีกสักพักหนึ่งโอ้มันเป็นเลยหันมาถามลูกเขยมันนอก อ้าวทาไมเป็ดลอยน้ําได้มันเป็นธรรมดาดอกพ่อมันเป็นธรรมดาคนนี้มันมีธรรมดาในใจไงมันเป็นธรรมดาอ้าวทาไมจึงว่าธรรมดาไม่ต้องให้อธิบายก็ได้หรอกพ่อยธรรมดาว่าจะเป็ดดอกขี้ควายแห้งก็ลอยได้ขี้ควายแห้งมันก็ลอยน้ําได้นะมันไม่ได้เป็นมันเนีมันบันมีตีนมันบม่ได้เป็นพังพืดแต่มันก็ลอยได้ขี้ควายแห้งเนี่ย โอ้เมนข้อมือนอนมาเลยโอ้ ย, อยพ่อจะไปขึ้นหล่าเห็นยังนนในให้ป่งโลดทับมันน่ะมันเป็นธรรมดาขั้นคืดหาเหตุผลมันก็มีแล้วแต่ถ้าหาเหตุผลขัดยังขัดง้างมันก็มีไปอีสักหน่อยนึงไปเจอหน่อไม้โอ้หน่อไม้ขึ้นลิมฝั่งนี่เยอะแยะเลยเนาะทำไมหน่อไม้มันเยอะจังเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยขึ้นได้ยังไงเนาะหน่อไม้นี่อยู่ใต้ดินต่างลึกนะเนาะคุณพ่อคุณพ่อก็ออดูดิหน่อไม้มันแหลมอ่ะ มันแหลมมันต้องทะลุขึ้นมาได้อ่ะหันมาถามวะนี่ใช่ไหมเคยไปนอกโอ้ยคุณพ่อนอกไม้มันก็เป็นธรรมชาติมันนเป็นธรรมดาเป็นแบบนี้แหละแหลมไม่แหลมมันก็ทะลุได้เหมือนกันน่ะเนี่ยคุณพ่อดูดินี่เห็ดละงกเนี่ยมันยังไม่แหลมเลยเห็ดเนี่ยมันไม่แหลมนั่นแต่มันก็ทะลุได้นะขึ้นมาบนดินได้ทั้นพ่ออย่าไปฟุ้งซ่านธรรมชาติมองอะไรให้เป็นธรรมชาติ ขี่ล่องเรือไปไปเห็นพระเฮ้ย hey! พระวันนี้ผ้าสีเหลืองเนาะผ้าเขาทำํำไมเหลืองนะ่ะพระเนี่ยมีผ้าเหลืองเต็มไปหมดเลยปุณพอ่อพระวันนี้ผ้าเหลืองเนี่ยเขาเอามาย้อมถ้าไม่ย้อมมันก็ไม่เหลืองหรอกเห็นไหมนี่มองไปสีเหลืองอันนี้ผมดูก็ออกเนี่ยมันจะเหลืองทนนานเขาละย้อมผ้าย้อมอไปเลยเนี่ยยอ้อมผือย้อม ก, กกแถวบ้านจะใช้แบบนี้ละ มันถามใช่เล้วลูกเคยมันหอกโอ้ยคุณพ่อผ้าเหลืองของผ้านเป็นธรรมดายอมไม่ยอมมันก็เหลืองได้นะ่ะเอา้าทําไมไว่าอย่างนั้นนะ่ะขมิ้นเนี่ยคุณพ่อเคยเห็นไหมขมิน้นขมิน้นขมิน้นมันอยู่ใต้ดินน่ะผมยังไม่เคยเห็นใครดําดินไปย้อมมันมันยังเหลืองได้เลยมันเป็นธรรมชาติมนันคุณพ่อจะไปคิดอะไรเห็นแล้วก็สักแต่ว่าไม่ได้หรือเนี่ยเฉยๆซะมันธรรมดา เห็นคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีธรรมชาติเขาอย่าไปคิดอย่าไปปรุงแต่งถูกผิดอะไรแก้ไขไปทำเรื่องแล้วก็จบอย่าไปวิจตกวิจารณ์อะไรแล้วขึ้นไปก็โอ้คะแนนเริ่มมาอยู่ทางฝ่ายนี้แล้วเนี่ยถ้ามันเป็นธรรมดาหมอกหนีมองเป็นธรมธรมดาเนาะยังกัธรรมดาธรรมดาธรรมดามันคงเป็นแบบนี้แหละเนี่ยขึ้นมาทีนี่ไปเห็นรูรูจราเคานะ เอารูานี่อยู่ได้ฝั่งริมน้ําทําไมมันเกลี้ยงเกาจังเนี่ยโอ้ยคุณพ่อเคยเมืองนอกว่านะเมืองนอกกับบ้านนอกนะรูเนี่ยที่มันเกี้ยงเกาเไม่ใช่เรื่องอื่นหรอกมันต้องมีสัตว์เข้าๆออกๆ อ, อ, อยู่ไเรื่อยๆเนีพราะมันขึ้นมันลงเรื่อยๆมันก็เกี้ยงเกาละท่านไม่ต้องไปสงสัยถ้าไม่มีสัตว์เข้าออกเนี่ยมันจะลกแล้วพ่อป่านนี้ก็เลยหันมาถามลูกเคยเมือง น, นอกถามว่า เอา้าแล้วคิดยังไงอมันเป็นธรรมดาพ่อเอ้ยเอา้าธรรมดาอีกแล้วทำไมว่าธรรมดาเอา้ายู่อย่างหัวล้านหลวงพ่อนอะอหัวล้านของคุณพ่อเศรษฐีเนี่ยผมก็ยังไม่เห็นสัตว์อะไรวิ่งขึ้นวิ่งลงทำไมมันเกลี้ยงเก่าจังนะมันเป็นธรรมชาติมัน น, นะนอ้นะโอ้ใช่ของมึงจริงๆเว้ยต่อมาก็เลยมอบ มาตัดสินใจมอบทรัพย์สมบัติให้เลยนิทานเรื่องนี้เขาสอนเรื่องอะไรเขาสอนเรื่องนิพพานนิพพานคนที่มีความรู้มีการถือสามีการปรุงแต่งเนี่ยมันจะไม่เป็นธรรมดาแต่คนที่อยู่กับธรรมดาเนี่ยเขาสามารถอธิบายได้เยอะแยะไปเพียงแต่ว่าเขามองแบบไม่ปรุงแต่งเห็นอะไรก็สังเกตว่าเออธรรมดาธรรมดาคนที่ฝึกจิตมาแล้วมันจะเป็นธรรมดาได้ แต่คนฝึกมาผิดทางมันก็ปรุงแต่งไปนหะแล้วก็ยึดเอาความคิดตรงเองว่าถูกถูกถูกถูกถูกความคิดคนอื่นไม่ถูกแต่คนนี้พอเขาอธิบายเอ้าใช่ของเขานเนี่ยแต่คนส่วนตัวติดความคิดทฤษฎีเมืองนอกเมืองนาอะไรว่าไปตามเรื่องว่ามันถูกแต่ความเป็นจริงอย่างที่ว่าแหละมันมีเหตุผลมีเหตุปัจจัยมีช่วยให้เลือกมากมายหลากหลายทั้งโลกที่มันมันไม่ได้เกิดจากเหตุปัจจัยเดียวไง นั้นแต่เราก็มายึดมั่นถือมั่นว่าอันนั้นถูกอันนี้ถูกอันนั้นผิดอันนี้เหมาะสมอันนี้ไม่เหมาะสมช่างายเหลือในความเป็นจริงมันเป็นยังไงถ้าเราไม่ตั้งใจฝึกฝนจิตตัวเองเนี่ยเราก็จะมัวยึดติดอยู่กับทิฏฐิปฏิฆะพวกนี้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะสรุปก็คือเอาทรัพย์สมบัติให้ทรัพย์สมบัติคืออริยะทรัพย์นะเอาให้คนนี้ เอาลูกเขยเนี่ยเอาลูกเขยคนนี้ซะลูกเขยคนนี้มันธรรมะธรรมโมไงมันเข้าใจมันปล่อยมันวางพ่อตาคือใครพ่อตาคือพระพุทธเจ้าลูกเขยคือใครก็คือคือนักปฏิบัติธรรมที่เป็นโยคาวจรเนี่ยคนลูกเขยคนนี้คือคนเรียนข้างนอกอันนี้เป็นคนเรียนข้างในธรรมะคืออะไรธรรมะก็คือมรรคผลนิพพานนั่นแหละพ่อตาคือพระพุทธเจ้านะมรรคผลนิพพานคือสิ่งเดยว ลูกเขยก็คือนักปฏิบัติธรรมลูกสาวคืออะไรคือลาบยศสารเสรินแถมไปอีกเห็นไหมก็มีแค่นี้ชีวิตเนี่ยแต่คนมันหลงจมอะหลงจมอยู่กับอาการของรูปของนามว่ามันเป็นของเที่ยงแต่ที่จริงมันไม่เที่ยงเอาเตรียมตัวนะเกินเวลามาสองนาทีชี้เลขสอง สมมติสมมติพะมือขึ้นเอาอลังสมาพร้อมกัน